กลับมาถึงเมืองไทยเออเมื่อไหร่กรร เ, เออกืบจะมรดกศักระอาจารย์ครับกลับกลับมาถึงไทยตอนนั้นรหัสครับเป็นยังไงเรียบร้อยดีครับดีใจไหมที่ได้ไปครอบปู่ย่าตายายดีใจครับ อ, อ, อันนี้มีอะไรไหมาเวันนี้วันนี้สมกัดมากครับ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้ความตายไปไม่ได้เราจะระเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรับร่างจากของรักของเจริญใจท่หลายต่งหเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมแดนนั้นสึ็ไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดไว้กลัวบาปนะทำแต่บุญบาปอย่าทำครับแต้ร่างกายเรานี่เป็นของใคร มีอาการอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเนื้อในกระดู ม, ม้ามหัวใจตับขั้งผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเกา่าเนื้อในสมองสีสันน้ำดีน้ำเสล น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงี้ยน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำใส่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำใส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงี้ยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสลดน้ำดีแยกในสองสีสัต อาหารเก้าอาหารใหม่ใช้น้อยใช้ใหญ่ปอดไต้องผิดตับหัวใจฟ้าหนนกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฝันเล็บขนผมมีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้ไหมมีใครอยู่ในร่างกายหรอจะแม่ไม่มีไม่มีจะแม่ไม่มีจัดดีเหลครับแล้วจะแม่ ท่านได้อยู่ที่ไห น, น่ะอยู่ก yeah. okay. ็ทิพ์ครับเอี่ยไม่มีอะไรต้องไปวิตกกังวลกับร่างกายใช่ไหมเวลามันเกิดอะไรขึ้นครับครต้อกทําใจให้เฉยเฉให้ได้ดนะเองรู้ไหมค uh. รับพุทโธพทโธไว้เวลาร่างกายเป็นอะไรค uh. รับรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปครับอ่ ไม่กลัวตายนะกลัวไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยกลัวนะทำไม่ได้ตายใช่ไหมใช่ครับจำไหมนะครับโอเคมีอะไรจะเล่ามีอะไรจะถามไหมไม่มีแล้วครับไม่มีเลยอาเท่านี้ก่อนนะครับกราบขอพระคุณพระอาจารย์ไปที่น้องพีต่อน้องพีอยู่บ่ อไงน้องพีเปิดให ม, ม่เอาเถิเขก็ามาใกล้ๆดูอาทิตย์ที่แล้วเข้ามาไม่ทันค่ะหลวงพ่ อ, อเข้ามาสองทุ่มเป๊ะสองทุ่มนี่คนไมหนืก็เข้ามาก่อนแนละ้วใช่แล้วค่ะก็เลยก็เลยแต่ว่าก็ดูใน y o u t u ู e ตลอดอยู่แล้วค่ะอันนี้เขาจะให้สลับกันเข้ามา คนเคยเข้ามาก่อนก็ย้ายเข้ามาทีหลังที่าทีหลังก็ย้ายเข้ามาก่อนได้ไหมได้ค่ะเป็นไรค่ะนอกจากพวกนอกจากพวกเด็กๆก็ยให้เข้ามาก่อนค่ะผู้ใหญ่ก็สลับกันบ้างค่ะตอนตอนนี้ที่หน้ากุฏิก็นั่งสมาธิสามอาทิตย์แล้วนะคะเออเป็นอย่างนี้ไหมดีค่ะดีั้นก็ ก็ก็หนูก็ฟังฟังหลวงพ่อไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิตามไปด้วยค่ะอะอที่บ้านค่ะอืมก็ดีนะฟังเทศได้ทําได้ปัญญาแล้วก็ได้สมาธิจากการนั่งด้วยแนละ้วใช่ค่ะดีมากเลยแฟนหนูก็นั่งฟังนั่งฟังด้วยกันอืมค่ะฝึกสมาธิไปค่ะแต่จะได้ไม่มากค่ะเพราะว่ากลางวันเสียงดังอืม ก็พยายามใช้สติอย่าไปกังวลอย่าไปสนใจ<ะ>ให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโธไปฝึ<ะ>กสติไว้ให้เข้มแข็งตอนปิดเทอมก็จะได้นั่งตอนตอนก่อนนอนสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแต่ถ้าเกิดว่าเปิดเทอมแล้วน้องพี่หนูก็จะทำตอนเช้าเพราะตอนเช้าก็จะเงียบ ก, <ะ>ก็จะสลับเวลากันเวลาที่ดีที่สุดไปตอนเช้าเช้ามืดอาจจะคนเิยังไม่ตื่นนะ ค่ะแต่ตอนกลางคืนหนูก็รอคนอื่นหลับก่อนเลยค่ะแล้วหนูก็นั่งก็สบายเงียบเงียบกริบเลยอเอน้องพีมีอะไรไหมไม่มีค่ะสวดมนต์อเปล่านั่งสมาธิหรือเปล่าไม่ได้นั่งค่ะแสวดครับสวัดกี่นาทีสวดเท่าที่จําได้ค่ะกี่นาทีหรอเป่าไม่รู้กี่นาทีค่ะประมาณหกนาทีมั้งหกนาทีเท่านั้ เวลารานั่งสมาธิหลับตาหนึ่งเวลาสวดมนต์นี่ก็หลับนั่งหลับตาสวดไปก็ได้นั่งแบบทำสมาธิไปเข้าใจไหมอ่ะอ่ะมันมันมันนั่งสมาธิแต่ใช้บทสวดมนต์เป็นอาลมอมสวดเร็วค่ะกลักวกลัวกลัวคุณวจะไม่ได้นอไไ <laughs> นไม่ได้เล่นเกมอ่ะจะไม่ได้เล่นเกมต้องรีบสวด ว่าทอพอตอนปิดเทอมก็มีกฎค่ะถ้าไม่สวดมนต์ถ้าไม่สวดมนต์นนก็แล้วก็ไม่ได้กระโดดเชือกตอนเช้าก่อนอาหารก็จะไม่ได้ดูทีวีค่ะแต่มือถือนี่คืองดอยู่แล้วปิดเทมอมถ้าอยู่กับหนูไม่มีสิทธิ์ได้เล่นค่ะมีต้องมีกฎมีระเบียบไว้ห้ามไว้ถ้าไม่ห้ามมันเด็กโตขึ้นมันจะห้ามยาก ได้ค่ะใช่ยิ่งตัวยิ่งเดืนนะค่ะใช่ยิ่งัวยิ่งดื้อดื้อมันมีกิจกำลังมากขึ้นนใช่ค่ะกล้าเถียงกล้าต่อร้อต่อเถียงกล้าพูดแล้วตอนนี้กล้าพูดแล้วสามหนึ่งดงตาชัดไหมครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะอ่าไม่มีก็ไปที่น้องตะวันต่อการนะอ่าตะวันเนี่ยคุณแม่ อ <Your> ยูงง่ฮอลแลนด์ครับมาช้างประชาญครับเปยังไงเอ่อดีครับประจาญเนี่ย yeah. ดียังไงเอ่อก um, uh, ็เอ่อนหาข่าบริษูดเล่าฉันบกมันท่มสมาติครับอ uh, ๋อวสแล้วฉนหาเนี่ยใช่ครับเอ่อค mm ูณ hmm. uh, จะพูไมเป็นอะไรรารหน่มัน วันนี้มันบริสุทธิ์บสุเกี่ช่วโงทั้งวันทั้งคืนหรือเปลาอืมั้งวันทิ่ไม่พูดโกหกเลยเลยทั้งวันใช่ครับโอเคดีมากแล้วนั่งสมาธิหรือเปล่าใช่คับนั่งครับอีกครั้ง เออสองครั้งหนึ่งครั้งในเออในเยนแล้วหนึ่งครั้งในเออช้าครับนั่งครั้งละกี่นาทีเออสามสิบนาทีครับสานาทีเลยนั่งยังไงนั่งนั่งยังไงเออคิดพูดโธครับเนคิดพูดโรได้ถึงสาสิบนาทีเลยเอจริงๆก็ยี่สิบห้านาทีเพราะมันค่ว่าผมคันเลยโอ้คันเลย แล้วนางแล้วรู้สึกยังไงบ้างเ อ, อ่อมันก็มีว่าผมรู้สึกดีแต่มันก็มีว่าผมไม่ไมาค่อยรู้สึกสงบค่ะนันางแล้วรู้สึกอึดอัดใจไหมหรืออัดไหมอยากจะลบอยากจะไปทําอะไรไหมอือก็มีนิดหนึ่งอยู่ค่ะเนีเย่ยยังไม่สงบเลยนะอือใช่ค่ะแล้วพยายามทําไปเรื่อยๆนะ อย่านั่งต้องมีพุโทโธพุโทโธนะอย่าอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคแล้วปัญญาพิจารณาอาการสามที่สองมงเปล่าใช่วยคับทุกวันค่ะทุกวันน ะ, ะเห็นไหมเห็นอนาะการสามที่สองในร่างกายในตัวเราไหมใช่ยคับเห็นนะก็เห็นนะถ้าไม่เห็น ที่บ้านเดี๋ยนี้มีโครงกระดูกให้ดูเห็นหรือเปล่าเห็นค่ะชอไหมก็นิดหนึ่งครับเพราะว่าถ้าผมมาข้างล่างแล้วผมเห็นผมก็เอ่อตกกระจายนิดหนึ่งครับ <c oughs> อืมอ่าแล้ในตัวเราไม่มีเลยเออเราก็มีค่ะทํำไมเราไม่ตกกระจายที่ของที่ไม่อยู่ในตัวเราเออเพราะว่ามันมีเอ่อผิวหนังแล้วมอาไม่เห็นใช่ไหม อืมช่คะอืมเวลาทุกคนมีเหมือนกันหวนนะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคุณม่ยเมย์ร้ายบ่าคือเอ่อเมื่อครู่คุยกับเจ้าตวานว่ามีเรื่องจะรายงานให้พระอาจารย์ทราบไหมเรื่องโปรเจกต์ฮิลิโอตาปะของเขานะคะพระอาจารย์แต่เขาบอกว่าให้โยมเล่าให้พระอาจารย์ฟังก็แล้วกันนะคะคือตอนนี้เอ่อกำลังฝึกเขานะคะพระอาจารย์เพราะว่า โยมคิดว่าไอ้สินสินห้าข้อในสินข้อสี่นมันมันมีความสําคัญมากๆนะคะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าสินข้อเ น, นี้มันซื้อสัตว์เนี่ยกับตัวเองกับความรู้สึกเนี่ยแล้วก็มีคุริโอตัปาเนี่ยที่จะไม่พูดโกโหกหลอกลวงอย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์ก็คิดว่าสินข้ออื่นนะมันก็จะจะทําให้บริสุทธิ์ได้โดยง่ายนะคะพระอาจารย์แล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีเขาจะชอบแอบแอบทผิดกฎกติกาะค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นว่าอย่างตอนเช้าอย่างเงี้ย เบางทีเราไม่ให้เขาดูการ์ตูนใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ให้ดูทีวีก่อนก็คือมาถึงตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บเขาว่าต้องมีกิจวัตรของเขาอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ห้ามดูการ์ตูนแล้วก็ห้ามหยิบนขนมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แต่มันมีหลายครั้งที่เขาอะไปแอบทะะําน่ยค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็ไม่ทราบก็เลยทําเป็นตารางแล้วก็ให้เขาแปะสติกเกอร์นะคะว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่าอยากจะทําผิดกฎหรือข้อห้ามในบ้านกับนอกบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์คือไม่ให้ทํา ถ้ามันมีความอยากจะให้รู้ว่าตอนนี้อยากจะทําผิดกดแล้วแล้วก็มารายงานแล้วก็ได้สติกเกอร์แปะนะคะพรอาจารย์ถ้ามันเตะปุ๊บเขาก็จะได้รางวัลอย่างนี้เจ้าค่ะพรอาจารย์ ม, มันก็มันก็รู้สึกว่ามันจะดีขึ้ น, นะคะ่ะพรอาจารย์แล้วเวลาสติกเกอร์แล้วเขาก็ไม่ทําตามที่เขาอยากนะไม่ไม่อยังไงเขาเจ้าค่ะพรอาจารย์อ่าเวลาที่เขาอยากจะทําอะไรผิดกฎแล้วมารายงานเลย บาลางานคือเขาเพราะเขาเจ้าซิเกอร์ค่ะคือแบบเขาเขารู้สึกอย่างเช่นว่าเขาออกไปข้างนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เขารู้ว่าไปบะเราไม่ให้เขาไปบ้านเพื่อนคนนี้เพราะว่าไปทีไรปุ๊บก็จะเล่นเกมทุกทีจะอดใจไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็มีคนามรู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยอยากรู้สึกอยากจะไปบ้านคนนี้จังเลยแต่ก็รู้สึกอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พ่อแม่ไม่ให้ม่ห้ามไม่ให้ไปเขาก็กลับมาบอกอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากจะไปทําผิดกฎแต่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ แล้วก็มาแรงงานแล้วเขาก็ได้สติกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะพระเจ้าจะเป็นดาวนี้ค่ะหรือว่าอยากจะแบบอยากจะพูดโกหกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่าอยากจะทําหรือบางทีไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยากอยากจะไปหยิบโคซองโดยไม่จ่ายเงินก็ก็ก็มาบอกอย่างเงี้ยค่ะพระเจ้ามันเป็นแบบว่าที่รีโอตป่าที่มันขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้สติกเกอร์ได้รางวัลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คือความรู้สึกมันยังห้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ซื่อสัตย์กับความรู้สึกอับข่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ไปทํามันก็แล้วกันแล้วก็มาบอกมาแรงงานแล้วกก็จจะะได้เออร์์ค่าาย อันนี้มีการให้ชิ้นบนหรือเปล่าไม่าช่วยเลยไช่วยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าถ้าจัดถ้าจะให้เขาแบบทําโดยที่แบบว่าอกลัวบากลัวกรรมอะไรเงี้ยมันมันคิดว่าอาจจะต้องรออีกสักพัก น, นึ่งค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันก็ให้เป็นอันนี้ไปก่อนให้รางวัลไปก่อนค่ะพระอาจารย์สวัส mm hmm. ดีพระพ mm ุท hmm. ธเจ้าท่านให้อะไรนะท่านอ่าที่มีอะไรนะที่เป็นโยมพ่อจ้างลูกไปฟังพระอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ที่ว่าไป mm hmm. ไปครั้งหนึ่งก็จะได้เงินอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จนแบบว่า พักละตอนตอนท่านได้ดวงตาเห็นถ้ำหรืออะไรแล้วคือท่านก็ไม่เอาค่าจ้างแล้วอย่างเนี้ยค่ะแต่ตอนแรกมันก็ต้องอาใสยตรงนี้ไปก่อนนะคะนี่มันก็ส่งเสริมให้เขามีความอยากอยู่ด้วยว่าอยากแล้วอยู่อยากแล้วอย่เข า, า, า, าได้ทำงานใช่มันใช่มันก็น ก, น ก, นก็มีตรงนั้นด้วยค่ะพระอาจารย์แต่ก็แต่ทำไมทำไมไงไปรูกแต่ก็เอาเถิดเราก็ไม่มันก็มีความอยากที่นิยมคิดว่า พรไม่ง้นเขาก็ไปแอบทําเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าลดอความถี่ที่ว่าเขาไม่ไปแอบทำมันมันช <dynam> ่นชวยได้ค <c oughs> no ่ะพระอาจารย์มันช่ว <c oughs> ยได้ก็ด <c oughs> <c oughs> oh ูว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหมือนก็ว่าให้มาบอกให้มาบอกว่าเหมือนตอนแรกเขาก็บอกอะแต่ว่าเขาไม่เขาก็ว่าเอ๊ะทําแล้วมันมันไม่ได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เขาก็เลยว่าแอบทําไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนก็ว่าเอามาทดแทนกันเลย ก็ลองดูไปก่อนจ้า่ะพระอาจารย์เป็นสติ๊กเกอร์ฮิลิโอตปอาปอกเจ้าค่ะขอยมก็มาคิดทุกตอนยมเด็กๆจ้าค่ะพระอาจารย์ยมก็บางทีทําเพราะว่าทำเพราะอยากได้อะไรหรือว่าทำเพราะกลัวแบบเนี้ยมันก็มันก็ทําให้ทําฮิลิโอตาปะมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับพระอาจารย์ได้นำวันอะไรบ้างไหมปกของโยมเนี่ยมันจะเป็นว่าถ้าถ้ากโกหกก็โดนฟาดนะครัพระอาจารย์ ก็โยอมเคยโกหกแม่ดีครัได้เซตเต็มแล้วก็ได้ประมวัลอะไรอย่างนี้นอันนี้ยังไม่ได้คุยกันกับผู้อาจารย์ก็มันก็ไม่ได้มากหรอกค่ะผู้อาจารย์ก็ดูตามตามคุรกียรติฐานะอย่างเงี้ยดูว่าแล้วแต่กับผู้อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเลยหรอกค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็เราแต่ก็ภูมิใจก็บอกกระชมเขาเรียกว่าเราก็ภูมิใจเขาว่าเขาอย่างน้อยคือเขาก็ได้เขาได้ซื่อสรรรัตย์ได้กล้าพูดค่ะพระอาจารย์อโอเคเราพูดไปเดี๋ยวค่ะผู้อาจารย์มีอะไรไหมย แต่ก็จะเอาที่พระจารย์ติงเข้ามาคิดนะคะว่ามันก็จะเป็นความอยากเพิ่มมันก็อาจจะตรงนั้นด้วยแต่ว่าก็ลองดูไปก่อนแล้วกันพระจาร์ลองดูสตั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็ไปนวดกันนะเพราะฟังได้ยินครั้งแรกมันมีรางวัลให้ฮีโร่ตาปะด้วยอันดีแต่ว่าความฉี่มันลดลงก็ เพรตอนแรกเนี่ยหลองหลายวิธีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์บางทีก็อแอบไปเล่นมาปุ๊บก็ก็มีมีทําโทษอะไรอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนว่าเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนเป็นให้รางวัลกับแล้วกันผสมการกับทําโทษด้วยอย่างเงี้ยว่าดูซิว่ามันจะเป็นยังไงค่ะพระอาจารย์ลองหลายวิธีค่ะลำบากเงี้ยงคนนี่เหนื่อยเหนื่อยกับพระอาจารย์ต้องรู้ทันเรารู้ทันเกลียดตัวเองแล้วก็เหนื่อยแล้วก็รต้องรู้ทันเกลียดคนอื่นเนาะ ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าไม่งั้นเราเราเลี้ยงเขาถ้าเกิดว่าเ อ, อสินห้าเขาไม่ได้เนี่ยมันมันไปมันไปก่อโทษทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะพระอาจารย์มันก็คล้ายๆกับมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราส่วนหนึ่งด้วยค่ะพระอาจารย์อืมมันก็ถูกต้องอะ ก, ก็ลองดูแลกันเถ้าใช้ได้ดีคนอื่นเขาจะได้อ า, าไปใช้เป็นใช้ใช้ตามก็ได้ แต่เขาก็มารายงานเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์บางทีอยาจะแบบ<ม>อบกินขนมไม่ทำไม่ทำเขาก็มารายงานนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่บอกเขาจะหยิแ บ, บแอบแอบกินหรืออะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์โอเคครับตัวคุณแม่มีอะไรบ้างของโยมก็เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีอะไรหวือหวาใช่ค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมค่ะโอเคท่ า, ทานี้ก่อนนะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระาอาจารย์อคุณหมอหน้าท้วนเป็นยังไงบ้าง กลัไปสู่ความวุ่นวายครับครับผมกับสตีพระอาจารย์ครับก็ไปได้อยู่ครับครับเข้ากองเข้ากองเพลงครับแต่ว่าก็มีสติอยู่ครับอันนี้งานก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้รับอะไรมากมายครับก็ทํำไปเรื่อยๆท่าที่ทําได้แล้วก็ไม่เอามาซ้อนๆกันครับเอาเน้นสติอยู่กับตัวเป็นหลักครับก็สมัยก่อนจะเร่งๆบางทีต้องทำๆแต่ว่าตอนหลังก็ ทำเท่าที่ทําครับนะอืจังคอนโทรลได้อยู่ครับตอนนี้แต่ต้องดู่วนนะมีเหตุมีผละทําอะไรมีเหตุมีผลครับนะฮครับก็พยายามช้าลงแล้วก็มีสติแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเท่าที่เท่าที่นั่น้วก็ให้มีเวลาให้นั่งสมาธิบ้างครับนะฮะก็ก็ได้หลักไปปฏิบัติที่ไปฝึกมาเอามาใช้ครับอนครับครับขอบคุณพระอาจารย์ครับใช้สติใช้ปัญญาครับนะฮะใช้สติครับนะ ก็เน้นเรื่องสติครับพยายามไม่ไ ม, ไ ม, ไมีมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาตรวจคนไข่เวลาทําอะไรเวลาคิดก็คิดครับแต่ถ้าเําบ้างก็กลับมาที่สติครับ mm hmm. แล้วก็ค่อยๆไปยังไงมันก็ทําไม่หมดอยู่แล้วแล้วก็รับแล้วก็ประพัดปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นบ้างกับมืม่อไหร่ให้ตัวเอกบ้างก็นด้ อืมครับก็ก็บาลานซ์นั่งบาลานซ์ได้อยู่ครับแต่ไม่รู้จะคลิปได้นานแค่ไหน<ม> <force> แต่ว่าก็พยายามจะจะค่อยๆไป ค, ค, ค่อยๆก็คิดว่าทํางานเพื่อเลีงชีพะครับอะะพออยู่ <c oughs> พอกินแล้วก็พอแล้ว <c oughs> ใช่ครับใช่ครับไม่หวังลาบยศอะไรสรัก <c oughs> เสรนครับนะฮะงานเดียวทําครับอยากไม่อยากอะไรครับนะพออยู่ <c oughs> พอกินครับรางวีรางวัลอะไรไม่ไม่ต้องไปสนใจตําแหน่งอะไรไม่ต้องไปสนใจครับ ครับฮะทำตามหน้าที่ไปครับนะตดมหน้าที่ไปครับถ้าจะทำมากก็ทําเป็นวิทยาทานไปแล้วกันให้ความรู้ครับนะทําบุญทาทานไปครับก็บางดีเราก็สามารถทำเกินเวลาโดยที่เราไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างนี้มันก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันครับได้ครับนะอืครับ ก็ชรงนี้ก็ไปก็ยังงานยังไม่ถึงกับเยอะมากครับพยายางกยยังควบคุมให้มันให้มันอยู่ในเมื่อก่อนจะทำมีเวลาห้าชั่วโมงก็ทำสิบรับงานมาสิบชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ก็ทาแบบค่อยๆทำไปเรื่อยๆช้าๆคนไข้ก็ค่อยๆตรวจไปมีสติอยู่กับตัวก็ก็ก็เราคิดว่าต้องเน้นเรื่องสติที่สำคัญครับนะใช่เราต้องเย็นนะ ครับนะใจเย็นครับะใจสงบครับครับมีอะไรไหมไม่ไม่มีไม่มีครับต้องขอบคุณพระอาจารย์ครับกีนได้เอาออกมาปฏิบัติครับเอามาใช้กับไอการงานในชีวิตประจํำวันครับนี่ครับนะสติจําเป็นในทุกกรณีพี่อาจารย์บอกครับนครับถ้าทำมีสติแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าขาดสติแล้วเดี๋ยวมันก็ มันก็มีปัญหาตามมาครับครับก็พยายามรู้ตัวแล้วไปเห็นอยู่ตลอดไนมะ่ไม่ไปทำบาปนะครั <Okay. S 2> แล้วก็พยายามสร้างกุศลครับอยู่ในอาชีพนี้ก็ได้สร้างกุศลอยู่แล้วครับก็เ <Yeah. S 2> อ่อก็เขาพยายามรู้ตัวแล้วก็พยายามทําเนะ่ะ hmm. แล้วก็พยายามหาเวลานั่งสมาธิให้จิตสปครับเวลาก็มาเป็นงเินเวงเหมือนเดิมนะครับครับไปครับโอเคครับท่านท่านนี้ก่อนนะ ครับได้ครับนะขอบคุณครับะนะเป็นที่คนนิสสา L.A. อน้อมกับนวัศสการค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไม่มีอะไรค่ะมาร่วมรับฟังสำหรับสาหรับลูกอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตอนนั่งสมาธิก็บอกเปลี่ยนมาใช้พุทธเธอเยอะค่ะพะอาจารย์เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแบบ เหมือนเวทนาของร่างกายอ ะ, ะค่ะอาจารย<ม>์รูปเป็นแบบปวดไหล ย, ย้อนะคะอาจารย์มันกำเริบบ ม, มันปวดท้องตอนเช้าอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยใช้แบบพุทธโธมากแบบมามากขึ้นนะคะ<ม>คอาจารย์ก็ช่วยได้อะคะ่ะอาจารย์มันปฏิบัติมันพิจารณาความตายทุกวันนะอย่าลืมความตายค่ะเดี๋ยวเราลืมค่ะในระหว่ า, างวันก็ถ้ามันมีอาการแบบเหมือนแบบ คำเริมนิดหน่อยเกับเพิ่มขึ้นเนี่ยพราะตรงไหนมันจะเป็นตอนเช้าค่ะพระอาจารย์ก็จะใช้พุชโธช่วยอะค่ะอาจารย์ก็ก็ดีอะค่ะอาจารย์ให้ความตายก็ดีนะความตายมันี้ทําให้เราอตื่นขึ้นมาตื่นจากความหนุนกับชีวิตนะตรงที่เราวุ่นวายกับชีวิตเราจะนึกว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วใช่คร่ะตายก็ ค่ะก็ก็คิดบ้างค่ะครอาจารย์มันเหมือนมันก็คิดแล้วก็สบายใจอะค่ะรอาจารย์แต่ถ้าคิดแล้วสู้ก็อย่าเพิ่งไปคิดเนะนี่แสดงว่าจิตยังไม่พร้อมค่ะแต่ถ้า ค, คิดได้ดีมันจะทำให้เรามีมีความไม่ประมาทมันจะทำให้เราไม่โลภม่กมากกับของที่มีอยู่ในโลกนี้เพรเดี๋ยวเราก็ตายไปล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้ ค่ะจริงค่ะอาจารย์อย่างรูปดูข่าวที่อ่าใครอ่ะที่เขาจะลืม ล, ลืมชื่อและที่เขาเป็นเอคนที่แบบว่าเกี่ยวกับนักลงทุนที่แบบเขาจะเลิกเลิกแล้วไม่ทําแล้วค่ะอาจารย์ว่าช่าวอเวลเลนบัฟเฟต์หรือติด อ, อยู่ที่ฝาเขาก็บอกเลิกแม่ไม่ทําแล้วลูกคิดเอะ เดี๋ยวเขาก็อายุเยอะแล้วสุดท้ายเขาก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เงินมากมายไก่กองก็เอาไปไม่ได้ค่ะอาจารย์ร่างกามันไม่มีแรงที่จะทำแล้วที่เดิงนี่เพราะมันรู้ว่าทําไม่ได้ค่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะเลิกใช่ไหมทไม่ไหวแล้วค่ะสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ ก็ลูกก็ยังนั่งแต่ช่วงกลางวัน ล, ลูกนั่งสมาธิแบบเหมือนมันมันไม่ค่อยมีสติอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็ดีขึ้นตอนเดี๋ยวนี้แบบม า, มาฟังเขาช่วงกลางวัน ล, ลูกจะฟังพระอาจารย์เทศย้อนหลังแล้วมันมีให้นั่งสมาธิต่างจากนั้นอะช่วยช่วยได้เยอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็นั่งพร้อมไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์คัด mm hmm. mm hmm. ีกว่าแต่ก่อ น, เ, นเยอะค่ะ หมายมีการปฏิบัติเรื่อยๆนะอย่าอย่าทิ้งปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะติดตอนกลางวันนะคะพระอาจารย์บอกมันเหมือนมันสติไม่ค่อยมีค่ะพระอาจารย์ อ, อาจจะเป็นแบบเรากังวลแบบเรื่องนู่นเรื่องนี้แล้วก็แบบเหมือนกับมีเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์อโอเคอ่าก็จะปฏิบัติสู้ต่อไปอค่ปคะพระอาจารย์ ไปที่คุณทัพคุณทัพมีอะไรไหมน้อมกราบในมัธยการพระ อ, อาจารย์ครับเอยังไม่มีครับแต่ว่านะแต่ว่าวันนี้อาคุณยายมากราบพระ อ, อาจารย์ครับอ่าไปที่ไหนอยู่ที่ข้างๆเลยวันนี้ อ, อยู่อยู่จังหวัดราอยเอ็ดครับ <c oughs> ยายสบาดีนะได้ยินไหม หมอเนี่ยเด็กนิ่งสบายดีปอจากน้ำมาจัดการน้ำมาจัดน้มาสบายดีบอสบายดีนะโอเคสบายดีอยู่แกอยู่ไปนานนานเนาะเนี่าพอดีนิ่งนี่ถอดใจละให้อยู่อยู่ไปนานนานนะแกแข็งแรงแข็งแรงอยู่ให้เกินร้อยปีใช่ตุ๊กโครับมีอะไรจะถามพ่ปุ้ยย บอกแม่ไบ่แดงนิ่ดีย่ามียังจะถามพระอาจารย์บอกวุ้ยแม่ถามบ่เป็นดยนเลยบ่ต้องถามเวลากันนะโอเคไปที่คุณเอกต่อนะหูกระป๋อตีหูกรดป๋อเงียบสาวทู้สาธอู้ไปไหกเชียงรายกล่าวอุการพระอาจารย์ครับ แต่วันนี้เข้ามารับฟังครับมาเติมพลังครับพระอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติทุวันครับอาจารย์ครับผมอืเลยครับผมอย่าทิ้งการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคนประโยชน์ที่สุดของชีวิตนะครับผมครับ้าไม่ปฏิบัติพอาจารย์ในปฏิบัติผลก็ไม่เกิดครับผมก็ปฏิบัติทุกวันทั้งเอ่อ นอนแล้วก็ตื่นตอนเช้าทุกวันนะครับทุกเช้าครับอาจารย์ครับผมลดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเช่ครับผมครับถ้าไม่เพียรไม่ปฏิบัติเกาไม่มีวันที่หลุดได้ครับผมครับผมโอเคครับผมกับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมอ่าไปที่คุณยินดีจ้อยินดีอยู่นิวยอร์กนะ สวัส ด, ดีค่ะท่านอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะก็เข้ามาร่วมทําฟังเข้ามาร่วมทําฟังฟังทำค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดป่าฟารมิดถึงค่ะแล้วก็วอลท้องเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านอาจารย์อย่าสูงค่ะอยู่เมืองอะไรนะนิวยอร์กแพดเบิร์กค่ะแพดเบิร์กค่ะค่ะแพดเบิร์กเืองใหญ่ไหมเออเล็กๆค่ะท่านอาจารย์ มีโรงงานอยู่ใกล้ๆเลมีค่ะก็มีมิชลินนะคะที่อยู่ใกล้ขับรถประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบนาทีอะค่ะท่าอาจารย์ค่ะแล้วก็เขาก็เป็นเมืองที่ใกล้โรงงานที่สุดใช่ไหะถ้าท่าอาจารย์ค่ะแล้วก็มีแคนาดาที่ว่าเออยู่แบบนี้ค่ะที่ว่าในโซนนี้นะคะก็จะมีแคนาดาด้วยค่ะท่านอาจารย์ ก็มีแคนาดาที่เคเบก่ะค่ะท่านอาจารย์อโอเคก็ขออยู่อย่างมีความสุขนะท่านอาจารย์ค่ะขอพระคุณ ท, ท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ค่ะอะคุณสาริกาชัยนาถมาฟังธรรมคับอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเป็นธรรมะและธทรมเมา ทำมาบ้างเมาบ้างก็ปฏิบัติอยู่ค่ะแต่อากาศล่อากาศร้อนกจะทำเมาหน่อยโอเคสาธุคุณศรษากับคุณติษยา นมัสกงานค่ะพระอาจารย์เป็นอยังไงมีอะไรไหมอ่าโยมโยมโยมโยมโยมอยู่อำเภอแวงค่ะอาจารย์โยมไม่ได้อยู่ตันยงมัดค่ะอาจารย์บ้านโยมติดชายแดนมาเลเซียเลยค่ะอาจารย์ตันยงมัดนี่มันเป็นตําบลใช่ไหมคะตันยงมัดนี่เป็นตําบลของอำเภอละแง่ค่ะอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าโรงเรียนอาจารย์อยู่บนเนินนะใช่นะคะค่ะ แล้วก็ที่บอกว่าเป็นตึกแถวของโยมพ่ออาจารย์ก็ยังคงอยู่ตรงข้ามกับสนามสถานีรถไฟอ่ะค่ะอาจารย์อยังคงอยู่ค่ะแล้วก็โรงเรียนอาจารย์เมื่อก่อนตอนโยมไปเรียนหนังสือโยมต้องนั่งรถไฟผ่านเนี่ยค่ะโยมจะเห็นว่าจะมีสนามเด็กเล่นติดตารางรถไฟค่ะอาจารย์ใช่อาจารย์จํานั้นถูกแล้วล่ะค่ะเป็นเนินขึ้นไปค่ะแต่ตอนนี้เป็นค่ะ ทำนี้ต้องเดินขึ้นบันไดไปใช่ค่ะแต่ตอนนี้สวยแล้วค่ะอาจารย์ก็ทํารั้วแล้วก็ทํำป้ายใหญ่โตค่ะเจริญตึกษาใหญ่โ ต, ว ต, วตวสวยงามแล้วค่ะเป็นโรงเรียนจีนใช่ค่ะเป็นโรงเรียนแต่ว่าตอนนี้คือแบบถ้าขับถ้านั่งรถไฟผ่านนี่จะเห็นชัดเจนเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าตึกฝั่งตรงข้ามที่เป็นเรือนของยมพ่ออาจารย์นะคะก็มีสิ่งก่อสร้างปลูกบังปลูกขึ้นมาบังแล้วค่ะมองไม่ชัดเจนละค่ะตอนนี้แต่ก็ยังอยู่ค่ะ ส่วนบ้านโยมนี่อยู่ติดมาเลเซียเลยค่ะอาจารย์เนอ่ยติดชัยนาทติดชัยนาทไหมข้ามไปบ่อยไหมถ้าก่อนหน้านี้ไปบ่อยค่ะหลังหลังนี่ไม่รู้จะไปทําไมอาจารย์ก็ไม่ไปเมื่อก่อนจะเข้าไปซื้อช็อกโกแลตค่ะเขาจะถูกมีของถูกเออเมืองไทยแล้วก็ไปซื้อเยเพราะว่าโรงงานของเขาไงคะอาจารย์อะไรเดีอะไรเนี่ยช็อกโกแลตเฮลิฮัชี่อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะชี่นะเฮชี่ค่ะใช่ใช่คะเป็นของมาเลเซียไงคะมันจะถูกค่ะอาจารย์ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าไปนะอาจารย์ไม่รู้จะไปทไําอะไรค่ะคือแล้วก็ตอนนี้โยมเข้าใจในสิ่งที่ที่พู้ทาว่าส่งจิตออกนอกค่ะอาจารย์ก่อนหน้านี้โยมเข้าใจว่ามันคือความฟาุ้งซ่านแต่จริงๆคือการที่เรามองไปไกลๆแล้วเราก็เราก็สงบแต่ว่ามันไม่มีพลังใช่ไหมคะอาจารย์มันต้องเดินเข้ามาข้างในค่ะอยู่กับความว่างความว่างนั่นแนหะคือ อาวใช่ไหมพูดังงานเหรอใช่มันสงบอะค่ะแต่ว่ามันจะอยู่กับสายตาว่างๆข้างหน้าแต่ตอหลังโยมบอกยมเมื่อก่อนนี้โยมจะไม่เข้าใจว่าส่งจิตออกนอกคือการคิดฟุ้งซ่านแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วอ๋อทําไมเราถึงไม่มีกําลังเพราะเราไม่ได้ดึงกลับเข้ามาในใจแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วะอาจารย์เพิ่งจะมาเข้าใจว่าไม่กี่วันมานี้เองอะค่ะส่งออกไปหารูกเนี่ยหารูกเสียงจิน่นัด มันโยมดูชอบชอบดูก้อนเมฆไงคะอาจารย์อยมก็จะดูก้อนเมฆ ไ, ไปเรื่อยเพ่งไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็นิ่งไปเองอ่ะค่ะแต่ตอนหลังนี้ก็พยายามที่จะไม่ดูมาแล้วะ ค, ะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้เข้าใจเข้าใจคํานี้แล้วค่ะอาจารย์เพิเข้าใจดูลมดีป่ะถ้ายากดูดูลมใช่ค่ะตอนนี้คือตอนนี้ก็คือจะไม่ทําแบบนั้นแล้วะ ค, ะค่ะอาจารย์ก็กลับมาดูลมแล้วก็บางทีถ้ามันคิดไปก็ปล่อยเขาคิดไปก็ไม่คุยกับเขาค่ะมันก็จะนิ่งไปเองค่ะอาจารย์ ค่ะยมก็รอวันขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วค่ะอาจารย์ใช่เลยค่ะอะไรนะคะใช่เลยใช่ค่ะ<ด>วันที่วันที่สิบเจ็ดเดินทางขึ้นเขา ว, วันที่สิบแปดค่ะอาจารย์โอเคค่ะคือพออยู่ที่บ้านเรามีงานทําไงคะอาจารย์แล้วเราจะมีความคิดแต่ว่าคิดก็คือจะพยายามอยู่กับสติค่ะจะจะอยู่อย่างนี้มากกว่าจะไม่ค่อยฟุ้งพอฟุ้งปุ๊บจะรีบดึงกลับมาค่ะยังน้อยที่สุดก็ ยังยังมีสติยั้งอยู่ค่ะอาจารย์ <m im ing> ค่ะรอวันขึ้นเขาอย่างเดียวแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้นับวันนะอาจารย์ส <im> าธุค่ะอาจารย์ยมีแค <im> ่อิม CCR มีอะไรไหมนมันสการค่ะพระอาจารย์อ่ามอีอาจจะมีคำถามมีเรื่องสองเรื่องค่ะแต่ว่าเรื่องหนึ่งไม่ค่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติเท่าไหร่แต่ว่าเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเนี้ยค่ะพระที่บ้านของหนูอะค่ะมีพระราหันต์อยู่องค์หนึ่งอะค่ะคือว่าเมื่อเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้วแล้วคุณแม่บอกว่าก ร, กระดูกของท่านอะคะ่ะกลายเป็นธาตุเป็นผลึกสีฟ้าอเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ว่าแม่ก็ไม่ได้บอกใครมีคนเห็นแค่สองสามคนแล้วเขาก็เก็บเงียบเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ mm hmm. หนูรู้สึกว่า เ, เราสามารถไปบอกใครๆหรือว่าไปบอก คนอื่นๆให้เขาได้รับรู้บ้างได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เกิดประโยชน์นะถ้าบอกตอนนี้ยังมีชีวิตยอยู่ยังมีประโยชน์กว่า<อ>มันจะได้ไปศึกษาไปปรฏิบไปฟังเทศคำฟังกับสังสอนเขาได้ในตอนนี้เขาไปแล้วนอกจากถ้าเขามีหนังสือมีอะไรก็อาจจะามาอ่านได้ค่ะพระอาจารย์มิ้ะท่านเป็นคนนี้เอ้ยเขาเรียกอะไรท่านเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่ะพระอาจารย์ ผาหลนบางคนก็เป็นแบบเนี้ยเป็นผ้าหลานนี่มีสี่สี่แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นผ้าหลานแต่ไม่มีความสามารถอะไรพิเศษแบบที่สองเป็นผ้าหลานแล้วก็สามารถรับรชาติได้ออืแบบที่สามเป็นผ้าหลานแล้วมีมีอิทธิฤทธิมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆแบบที่สี่นี้เป็นผ้าหลานแล้วก็มีความสามารถเทศนาว่ากล่าวสั่งสอนคนออื เป็นพระอาจามีอยู่สี่อย่างพวกเดียกันแต่ก็บา ง, งองค์บางองค์ก็อา จ, จะมีมีความสามารถหลายอย่างรวมกันนะอย่างพวกพระเจ้านี่มีหมดเลยพระเจ้านี่เป็นพระอาจารย์แล้วก็อนุชาญได้อมีอิทธิฤทธิ์แล้วก็มีความสามารถแสดงธรรมส่วนพระสารีบุตรนี่เป็นพระอาจารย์แล้วก็มีความสามารถที่แสดงธรรมส่วนพระมน ก, กรานี่ มีความสามารถมีอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆแต่ละองค์ก็มีความมีความพิเศษความสามารถพิเศษต่างกันไปแต่สิ่งนี้เหมือนกันก็คือเส้นกิเลสเหมือนกันอยู่บาครูบาอบาจารย์บางลูกในยุคยุคปัจจุบันท่านก็ไม่มีเทศไม่มีสอนใครท่านก็สอนแบบท่านภาวนาเนาะ อางสี่าวนานทางพูดอะไรนั้นนั่นจะไม่ได้เอามาแย้แย่งเอามาเอามาแสดงให้มันละเอียดขึ้นเนีแต่บางองค์นี่ก็แสดงทําได้เก่งองค์ตาหมาโมเนี่ทำธรรมะของนั้นเยอะหนังสือทันเยอะแยะไปหมดองคูมันนี่ท่าก็แสดงทําเก่งแล้วก็ยังมีความสามีทินิดด้วยอืมอ น, นี้ค่คยความ ความพิเศษของผ้าล้านแต่รูปไม่เหมือนกันมางรูปท่านก็เส้นกีเด็แล้วท่านก็ไม่มีอะไรพิเศษ้ากแบบ น, นี้แล้วก็อยู่เงียบๆไปปมนเหมือนพระเหมือนกับเป็นพระปเจกระไปครบอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ค่ ะ, ะคือจริงๆหนูวางแผนว่าอยากจะถ้า ในบั้นปลายชีวิตนะคะอยากจะไปไปอยู่ที่วัดนะคะพระอาจารย์แล้วก็ฝึกไปแต่ว่าก่อนก่อนที่จะไปอยู่วัดหนูเคยลองไปอยู่วัดป่ามาแล้วคะ่ะแล้วหนูก็เจอว่าบางทีหนูยังอยากจะออกไปยังออกไปเที่ยวข้างนอกอยู่อะคะ่ะพระอาจารย์ก็เลยถอยตอนแรกวางแผนว่าจะไปอยู่วัดป่ายาวๆแล้วก็แบบอยู่นานๆเลยแต่ว่าสู้กิเลสไม่ไหวคะ่ะหนูก็เลยกลับมาก่อนแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้ก็พยายามฝึกอะค่ะพระอาจารย์แล้ว อย่างเช่นเรื่องอาหารก็ไม่ได้ออกไปกินข้าวนอกบ้านแต่ว่าแล้วก็พวกอแต่ว่าตอนเนี้ยค่ะยังมีพวกอยากจะดูทีวีอยากจะขับรถ<ม>ชอบขับรถออกไปข้างนอกค่ะรู้สึกกลัวการไม่เป็นอิสระแต่วิธีแก้ของหนูตอนเนี้ยค่ะหนูลองอใช้พุโทแล้วมันมันเครียดมากค่ะพระอาจารย์หรือว่าแบบสมมติ หนูใช้ก่อนหน้านี้ที่ลองใช้แล้วมันมันเวิร์กอะค่ะพระอาจารย์คือดูเหตุและผลของมันแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะก่อนที่ทําได้ก็คือเมื่อก่อนชอบกินขนมเ ค, ค้กมากค่ะพระอาจารย์แล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบบตอนแรกบอกว่าอย่า ก, กินกินไม่ได้มันต้านมากค่ะพระอาจารย์เลยคิดว่าอ่ะกินได้ถ้าอยากจะกินตามเหตุและผลของมัน มันก็คลายไปเองค่ะมันก็กลายเป็นไม่อยากกินขนมเค้กไปหมายก็ว่าหนูคิดว่าถ้าอยากกินอยากกินอะไรห ว, วานๆอยากกินก็ได้ไม่ต้องไปกลัวเขาอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกอยากกินขนมเค้กก็หายไปหลายหลายเดือนมากแล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าพวกแบบการอยากจะออกไปเที่ยวหรือหรือแบบอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับโลก เ, เรื่องภายนอกอะค่ะทํายังไงดีคะพระอาจารย์ที่จะทําให้มันน้อยลงน้อยลงจนสามารถแบบพร้อมเตรียมพร้อมไป อยู่วัดได้จริงๆมันต้องได้สมาธิเท่านั้นนะต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆ<ม>ให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันมีความสุขอยู่ข้างในนะมันไม่อยากจะออกแผลขงอกเริม่มต้มมนตก็พยายามถชื่สินแปรแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิมากๆให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้อารมณ์นั้นที่นี้มันไม่หิวกับรูปเสียงจลินต้นตอมันมีความสงบเป็นเป็นอารมณ์ เป็นที่อยู่อาศัยเปนที่พึ่งได้อ่าพระอาจารย์คะขออีกนิดนึงคะ่ะคือว่าตอนนั้นที่อยู่วัดป่าค่ะหนูก็รู้สึกว่าน่าจะอยู่ได้นานแล้วโอเคแล้วพอเห็นชาวบ้านขับขับอรถปิกอัพขึ้นมาค่ะพอเห็นรถปิกอัพรู้สึกว่าเหมือนอยากจะกระโจนไปหาเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วพอกลับมาที่กุฏิมันสู้แบบพูดโทอะไรเงี้ยค่ะเอาไม่อยู่เลยคะ่ะพระอาจารย์ถ้าสมมติหนูต้องมันกลายเป็น แบบเหมือนแผลในในใจนิดนึงเหมือนใจเขาว่าเราสู้เขาไม่ได้แล้วแบบไปอยู่ต่อไปเราจะไหวไหมมันยังมีงานอีกเยอะที่เราจะต้องทำอะค่ะอาจารย์หมายถึงงานในการนี่แหละก็ลองพยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ะถ้าไม่ได้จิตมันก็ยังจะหิวกับรูปเสียงกลิ่นนั่นเยอะมันก็อยากจะออกนอกมันจะไม่เข้าในแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิทําให้จิตรวมได้จิตเข้าข้างในได้นี้มันก็ มันก็ไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆมันก็อยู่ทอาง่ายได้แต่ก็ไม่แน่เนะียถ้ามันบางทีไปเจอสิ่งที่มันเคยรักเคยชอบเห็นเข้ามาเนี่ยมันก็ยังอยากจะไปแต่อย่างน้อยก็มีสติคอยหนึง่งมีสติทำมาที่คอยหนึ่งไว้ได้อยู่แต่บางทีก็เหนื่อยเหมือนกันพจะเนืมันกลับเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิรับประกันไปเลยไปแล้วก็ไม่กลับเลยอย่าจับ ซอมใหม่คะ่ะพระอาจารย์หนูอยากหนูอยากจะไปแบบทําให้ได้คะ่ะพระอาจารย์นพราแล้วเนี่ยอย่างที่สอนเนี่ยพยายามฝึกสติเนี่ยสมาธิให้มากดังการเราจะสามารถทําให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ที่เราก็จะควบคุมควบคุมความอยากที่จออกไปข้างนอกได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ไปถ้าเพลสติเมื่อไหร่มันก็ยังมันเนี้ย นิ่ได้ตั้งแต่ว่าถ้าถึงขั้นนั้นเราต้องฝึกใช้ปัญญาใช่ไหมมันถึงจะตายแต่ถ้ายังไม่เคยใช้ปัญญามันถ้าเผลิสติเมื่อไหร่มันมันจะพูดออกไปเลยเหมือนเปิดประตูให้ให้เปิดประตูข้ออัวเนี่ยอัวมันยังกระโจมเราไปก่อนเลยตัวใหญ่ตัวไหนนี่มันใหญ่มันจะไปก่อนถ้าเมืไรมันจะไปหาสิ่งนั้นก่อนเลย ครัอาจารย์ตอนนั้นฝึกเป็นเดือนเลยค่ะรู้สึกว่าโอ้เราเอาอยู่แน่นอนเนี้ยค่ะอาจารย์ประคตเร า, ายพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วทดสอบไปเรื่อยๆมันมันไม่ใช่เป็นของที่เราจะไปเหมาออได้ว่ามันเป็นอย่างไรแบบนี้ต้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์น ะ, ะเวลามีสติมีมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยมันก็พอที่จะสู้กับมันได้ อาจารย์อถ้ายังไม่พร้อมก็อยาเพิ่งไปไม่รู้ยังไม่พร้อมไม่อย่าเพิ่งไปอาจารย์ต้ออยากว่าถ้ามันไม่พร้อมแต่ไม่ไม่ไม่มีทางเลือกก็ต้องไปอย่างเราเนี่ยที่ตอนต้นเรายังไม่เคี่ยวไม่พร้อมที่จะบวชแต่มันไม่มีเงินไม่มีเงินจะเลี้ยงตัวก็เราก็ต้องไปบวชบางที่ถูกบังคับเป็นไฟบังคับแล้วยังมีเงินอยู่ยังงไม่ไปนละ ยังเป็นคารว า, าต่อไปเลยป่ะเพราะบาเวลาอยังว่าไปเที่ยวที่นน่นว่าไปเที่ยวที่นี่นได้อยู่แต่เพราะเป็นพรามันไปไม่ได้เลยมันอยู่ในวัดอีกใจนึงหนูก็ห่วงคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะเพราะว่าหนูก็เป็นลูกคนเดียวแล้วถ้าอยู่ๆไปไปวัดไปคนเดียวรอบจะไม่มีใครจะกลับมาดูมันมันก็ยังมีห่วงว่าเร า, าเราจะขาไปยังไปไม่ได้เลยังไปไม่ได้เะ ถ้ายังไม่มีปัญญาตัดมันไปไม่ได้แล้วไม่ถามโดยถ้าเกิดเราตายวันนี้แล้ว พ, พ่อแม่เขาจะอยู่ไหมใช่ไหแล้วก็อยู่ของาได้ใช่ไมถ้ายู่ไม่ได้เขาก็ตายตามลงไปใช่ไหมคิดแบบนี้มันก็ไปได้เดี๋ยวเเดี๋ยวเราก็ดึงเขาตามเราไปที่บ้านเองนะ เราไปอยู่วัดเขาคิดถึงเราเขาก็ไปหาเราที่วัดเอง ท, ทุกครั้งที่ไปไปขึ้นเขาอลไรเงี้ยคิดตลอดเลยค่ะว่านี่ทิ้งพ่อกับแม่มาแล้วมันมันจะอมแบบเราทําหน้าที่ลูกไม่เต็มที่หรือเปล่าแล้วแบบนั่นแหละค่ะพระอาจารย์แต่ว่ากี่เลนกีเลนหาเรื่องว่าไปเที่ยวที่นู่นที่มันไม่ที่เราทิ้งพ่อทิ้งแม่เลยใช่ มาไปวันไหนวะทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเลยยี่เลยีเมันช่งหลานใช่มันจอบหลอกเราเลยพอเราจะทำของดีอมันมีเรื่องมาหลอกว่าเห็นแกตัวเปล่ า, าทิ้งพ่อทิ้งแม่หรอเ่ทิ้งลูกหรือป่าไม่มีคมรับผิดชาแล้ปืปามาเลยประหาต่างๆเราทำไปเที่ยวนี่ไม่มีเลยก็จริงอ่อจริงเลยค่ะอาจารย์ เนี่ยเราเราชอบถามตัวเรเองนะถ้าเกิดหนูตายไปวันนี้แล้วมันจะทําอะไรได้หรเปล่าแต่เกิดเราตายไปวันนี้แล้วเราสิ่งต่างๆที่เราทําอยู่นี้ที่เรามีเรามารับผิดชอบนี่เราจะทำอะไรต่อไปได้หรือเล่าก็ไม่ได้ไม่ต้องทิ้งให้คนอื่นเขาทำต่อไปมันก็เลยไปได้มันก็เลยโอเคค่ะพระอาจารย์ตอนแรก ห, หนูรอ แบบว่าถ้าสมมุติหนูแบบยังมีชีวิตอยู่นานๆก็คือกะว่าจะรอสองคุณพ่อคุณแม่แล้วเดี๋ยวไปที่นู่นหละไปไปวัดป่าค่ะแต่ตอนนี้เอาให้ชนะเรื่องอยากไปเที่ยวอยากไปนู่นอยากไปนี่ของตัวเองก่อนดีกว่าค่ะแล้วค่อยเตรียมต่ว <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ยมขออนุญาตได้ไหมคะอาจารย์ยมยมยังเคยคิดว่าถ้าโยมตายแล้วลูกจะอยู่ยังไงมีคนถามโยมนะคะว่า ถ้าโยมไปในอะไรไปแล้วลูกอยู่ไงโยมก็บอกว่าถ้าโยมตายเนี่ยโยมมีบำเหน็จบรรณาตกทอดให้ลูกอยู่อย่างสบายถ้าลูกใช้เงินหมดไม่มีปัญญาก็ไปอยู่วัดเอาก็แล้วกันค่ะอาจารย์โยมไม่ได้ทุกตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ทุกคนต้องทุกคนต้องต่อสู้เองอะต้องการเทพหลวงตนเองโยมถือว่าโยมทําหน้าที่ของโยมดีแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ ถ้ายมยังอยู่ยมก็ดูแลไปแต่ถ้าว่ายมจะไปวัดเนี่ยยมถือว่ายมทําหน้าที่ของยมเสร็จแล้วคราวนี้ยมไปทําหน้าที่ของตัวเองบ้างอะทําเพื่อตัวเองบ้างค่ะยมก็ไม่ได้ห่วงลูกกับห่วงสามีนะคะอาจารย์แว่ายมไปยมไปแล้วยมทิ้งเลยค่ะอาจารย์ไม่อยู่ในสมองเลยค่ะอาจารย์อาจจะมีปัญหามีทุกข์ให้เราไปแก้แค่นั้นเองค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าลูกจะไปก็ไม่ต้องห่วงแม่ที่ ถ้าไปจริงนะกลัวไม่ไปจริงเลยค่ะไม่ไม่ไม่มีตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเหมือนกับความห่วงเมื่อก่อนห่วงลูกค่ะตอนนี้ไม่ห่วงอะไรแล้วค่ะอาจารย์อืยมยมได้จากอาจารย์มาเยอะเลยค่ะยมไม่ไม่ได้มีอะไรจริงจัไม่มีอะไรแน่นอนเราไปกําหนดความตายของแต่ละคนไม่ได้ใครจะตายก่อนตายหนังทำไปทํามะเราอาจจะตายก่อนพ่อแม่เราก็ได้ไม่ไม่มีอะไรแน่นอนอนัตตา ก็บคุมบางท้นไม่ได้สั่งไม่ได้ว่าพ่อต้องอยู่พ่อต้องตายก่อนเราแม่ต้องตายก่อนเราโดยหลักมันทั่วไปก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็มีกรณียกเว้นวใช่ไหมเราต้อ ง, องคิดให้ฉลาดจะได้แก้กิเลสได้ไมั้นกิเลสมันจะมาคอยลัดเอาไว้ไม่ให้เราออกในปฏิบัติเนะี่ย ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระเจ้เาเห็นเด็กชายนักคุณเข้ามาอยู่นี่นักคุณอเอานักคุณก่อนเด็กนะนักคุณขึ้นมาคุณเป็ตองนี้อยาก็มาสรการค่ะคะอาจ า, ารย์ให้ไปไหวันนี้เข้ามาสายเลยวันนี้แม่ไป แ, แม่ไม่เอา น, นัวคุณไม่เอาเนอเป็นไงวันนี้สหมเอ๊ะนักคุณ เหลือสิบคะแนนแล้วนะอออออตอนนี้ป่าหน้ารงหน้างจะสนเลยนะเนี่ยตอนนี้ยไม่นนสนเลยวันนี้เห็นบอกว่าช่วยช่วยจัดบ้า น, นะค่ะพอดีแม่เพิ่งไปทาเลี้ยงที่บริษัทเพิ่งกลับมาเขาอยู่บ้า น, นะค่ะก็เลยเข้าช้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไปโรงเรียนป่าไมไม่ได้ไปเนยไปไหมครับไปขอพ่ใจอืมไปนะอื ตอนนี้ไม่ ง, ง่วงนอนนะอตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วใช่ไหมอ ย, ไยอยู่ไทยคะ่ะนักคุณค่ะตอนนี้อยู่ไทยคะ่ะพระอาจารย์มเมื่อวันอาทิตย์แวะไปฟังเทศพระอาจารย์ที่กุติมาคะ่ะแต่ว่าถวายอยู่ถวายสังฆทานพระอาจารย์ไม่ทันก็นเลยฝากที่แม่ชีถวายพระอาจารย์ค่ะรีบรับนัคุณเขามาเข้าค่ายที่ชนบุรีค่ะฉัอนจะเขาด ใครคือข me. hmm. so cool, ้องบนนี tense, <t iny smoke> ้อะเป็นวอลเปเปอร์ครับลูกไม่เอางก่อนไม่ใช่อันนี้ใครอ่ะนักวนนกเอ้าใช้ดูเหลือเก้าคะแนนค่ะตอนนี้ใช้ตัดคะแนนอยู่ครับพระอาจารย์ตามสารเด็กเข้าไปสอนไปได้เรื่อยใจเย็นๆสานไปไเรื่อยขึ้นลงขึ้นลง ทั้งวันเลยค่ะวันหนึ่งมีร้อยอารมณ์ได้ค่ะเดี๋ยวก็ใจเย็นกันนะคุณพอพอดูไปก็รู้สึกโอ้เสียใจที่ดูเขาก็มาใจเย็นใหม่แล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อนัตตาต้องอัตตาไปเอาไปทางอนัตตาเอาไปควบคุมไปสั่งก็ไม่ได้อเป็นอนัตตานะคะพอพอ พอเคยดูไปแล้วแล้วเพิ่งคิดได้ค่ะมันยินฟ้ากเป็นผลตกบรัโออกอมไปค่ะคมีอะไรไหมไม่มีค่ะมากาลนรมาสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทัดกานแข็งแรงนะคะจ้าสาธุไปที่คุณแนนต่อคุณแนนตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้ออยู่ที่ไหนนล่ะกัดมาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เพิ่งมาถึงญี่ปุ่นเจ้าค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีอะ<ม>ไรเจ้าเออก็ดีเจ้าค่ะไปกับหลวงพ่อมาไปไปฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธิเมื่อเมื่อวันจันทร์มาเจ้าค่ะวันนั้นวันนั้นแอบออออนั่งแล้วรู้สึกมีได้ได้ความสงบมานิดนึงเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อ กิดไปเรื่ย ๆ, ๆนะเกิดสตแล้วค่อยสังเกตว่าวันไหนเราสงบสมบพออะไรค่ะนะคะต่อไปแล้วก็ทํามาทําต่อค่ ะ, ะแต่เนี่ยจะบอกหลวงพ่อว่าไ ป, ไปไปไปได้ที่หน้ากุติหลวงพ่อทุกครั้งเลยค่ะความสงบเนี่ยเจ้าค่ะเหมือนพอไปแ ล, แล้วแล้วเหมือนที่เคยบอกหลวงพ่อค่ะมันมีมันมี ม, าามันเกิดกำลังใจแล้วเจ้าค่ะแล้วนั่งแล้วมันก็มีความสุขมันก็เลยเหมือนได้ได้ได้เข้าจนถึง ความสงบแต่แต่รู้นะคะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สมาธิมันยังไม่ได้เข้าไปถึงเขาที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ อ, อับปนาอืมจริงนาหนึ่งเอาจจะได้ห้าสิบห้าสิบมันมีความมันมีความแบบยังได้ยินเสียงรอบข้าง <c oughs> แต่มันมีความแบบว่ า, าไม่ได้ไปสุนใจค่ะมีความสบาย <c oughs> มีความสงบอยู่ตรงนั้นค่ะก็เริ่งบแ้ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าถือว่าเป็นยังไงคะ่ะหลวงพ่อมันก็คือยังเป็นอุ เรียกอุปนิสัยก็ถ้ า, า, าเป็นอย่าไปสนใจชื่อมันสนใจตัวมันก็แก <S S S> ันทำมันสบายก็ดีแล้วค่ะม <S S 1> ันพิเศษก็แรงก็ดีค่ะ <S S 2> ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ให้จําว่าวันนี้นั่งแล้วแล้วได้ได้ตรงเนี้ยถ้าถ้าเราได้ก็ให้จําไว้ใช่ไหมจ๊ะคะว่าว่าเราทํำยังไงอืหนูก็พยายามหนูก็จําได้นะคะแต่คือแต่ก็แอบคิดว่านงสารตกเป็นนั่งที่หน้ากุฏิหลวงพ่ออีกรอบแล้วบอกว่าไปได้ที่หน้ากุฏิตลอดเลย มันนม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่สติของเรามันไม่ได้อยู่ที่สถานที่เลยมันอยู่ที่กําลังใจค่ะหลวงพ่อหนูก็บอกไม่ถูกเวลาเวลาไปที่ที่กุฏิหลวงพ่อมันมีกําลังใจมันีรู้สึกแบบอุ้ยได้มาได้มามาใกล้ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนรู้สึกว่าแอบแอบมีความละอายด้วยมั้งคะว่าถ้านแบบว่าท่านนั่งเราเกียดนั่งแล้วแบบง่วงแล้วหลับไม่ได้เราต้องต้องฝืนนั่งต่อไปต้องพยายาม ต้องมีความพยายามให้ ใ, ให้เห็นอะไรเนี่ยมันก็มันเหมือนมีความกลัวด้วยนะคะหนูไม่รู้บอกไม่ถูกแต่ว่าไปทีไรสองสาครั้งแล้วค่ะที่ว่าไปไปได้ได้รับอ่าได้ได้รู้ถึงความสงบวา<ม><ม>่ามัาานนี่ถนั่งกันมหลายคนมันง่าจจะทําให้เราต้อ ง, ต, องต้องอดทนอยากจะขยับ<า>อยากจะอะไรก็ไม่ไม่กล้าอาจจะเป็นไปได้เจาา้าค่ะก็เลยค<ม>ิดว่า หลวบอกให้จำแต่ว่ามันจําได้แต่พอมาทําเองมันมันแอบมันแอบมีข้ออ้านเยอะไม่เหมือนกันใช่ออไมหมะแต่ก็นี่ค่ะสวันที่กลับมานี่ก็พยายามนั่งก็เข้าๆอ อ, ๆออกๆพอถ้ารู้ตัวว่าว่านั่งไม่ได้ก็ไม่ฝืนเจ้าค่ะก็ออกมาก่อนแล้วก็กลับมานั่งใหม่แล้วก็ลองลองจำว่าวันนั้นที่ที่ได้เนี่ยเราเราดีความสึกยังไงมันก็คือบอกตัวเองว่า เอาคำเมืงองพ่อมามาม า, มาคิดนะคะก่คือไ ม, ไม่ไม่คิดอะไรนั่งไปเรื่อยๆไม่ไม่นึกถึงอะไรไม่ไม่ไม่อยากแล้วก็ศักแต่ว่ารู้เงี้ยค่ะจำคำนี้ไปแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็เริ่มสงบไปเองะะเวลามันก็อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเรามาอยู่วันเราก็ไม่ค่อยมีอะไรจะ ต, ต้องคิดต้องทำด้วยใช่เจ้าค่ะเหมือนมันปล่อยอวางนั่งรอนั่งรอก็นั่งสมาธิไปได้ค่ะค่ ะ, คะ นี่ก็เลย <Hey. S 2> ลองพยายามลองพยายามหลังจากกลับมาก็เนี่ยค่ะลองพยายามนั่งไปแบบที่ที่นั่งวันนั้นที่หน้ากุฏิแต่ก็ยังยังไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนวันนั้นอยากพยายามก็แ้กันอยากพยายามความอยากพยาาเป็นตัวขวางกัน้นค่ะอันนี้ก็ก็ก<ๆ>็<ๆ>นั่งไปเรื่อๆยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไป่เจ้าค่ะจะพยายามต่อไปเจ้าค่ะ หวังว่าจะไปถึงสมาธิได้สักวันหนึ่งแต่ก็มีความสุขนะเจ้าคะรู้สึกอรู้สึกไะ้สาขนะได้ยามีความสําเร็จใหญ่ให้นั้นค่ะหนูรู้สึกเหมือนกับว่าอ process อะไรนะความอความสําเร็จมันยังไม่ถึงแต่ว่ามันก็มีความสุขกับการได้แบบทดลองอะค่ะได้ผลบางส่วนแล้วนะมันได้สัมผัสกับความเย็นเหมือนอยากรู้เหมือนเริ่มอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยเื่มันมันมันมีความยังมีความศรัทธามีความแบบ ความทำให้เกิดความเพียรเหมือนเราอยากจะรู้ว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะสู้กับ ต, ตัวเองไปตอนนี้สติเรามีแค่นี้มันก็ได้แค่นี้ถ้าเราฝึกสติมากขึ้นมันมันก็จะเข้าไปได้มากลึกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวอีกสองเดือนเจ้าคะ่ะหลวงพ่อหนูกำลังมีแพลนว่าจะ l e a อ e out pay ค่ะก็คือไม่ได้ทำงานสองเดือนอเพราะว่ามีเหตุมีเหตุให้ต้องให้ต้องหยุดงานใช่ไหมเจ้าค่ะก็เลยบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวช่วง สองเดือนที่แพลนว่าจะไม่ไม่ทํางานเนี่ยคะ่ะจะเหมือนเป็นการซ้อมซ้อมตัวเองอ่ะค่ะว่าจ้าสมมุติเราออกจากงานแล้วเราไม่มีงานทําเป็นคนตกงานแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงค่ะใช่ค่ะก็เลยก็เลยเดี๋ยวจะจะรออสองเดือนเนี่ยค่ะตอนนี้กําลังวางแผนว่าจะลาช่วงไหนที่ที่คุยกับพี่สาวอยู่ค่ะพอดีว่ามีมีเหตุจาเป็นว่าจะต้องไปไปอยู่ดูแลพี่สาวเนี่ยค่ะก็เลยว่าจะใช้ช่วงสองเดือนนั้น ลองลองปฏิบัติแบบแบบว่าอาจจะกําลังคิดว่าจะถือศีลแปดแบบว่าอาทิตย์ละสามวันถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยค่ะอยากจะลองดูว่าจะทําได้ไหมแล้วก็ถือเป็นการซ้อมว่าถ้าเราออกจากงานจริงจแล้วเราจะเราจะอยู่กับอยรู่เฉยได้จริงหรือมไม่มีค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะถ้าได้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงจะคอย เข้ามาซูมแล้วก็มาคอยรายงานหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าดีขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะจะพยายามต่อไปนะเจ้าค่ะต้องมีวางมีการวางแผนไว้ตรงหน้ามันจะได้มีการคืบหน้าค่ะมีตอนนี้ก็คิดทุกวันเลยเจ้าค่ะหลวงพอ่อ ม, มันเหมือนกับว่ามีพอที่ที่บอกหลวงพ่อว่าจะ อ, ออกจากงานใช่ไหมคะมันก็ทุกวันนี้ก็คิดทุกวันเลยเจ้าค่ะมีการวางแผนกับตัวเองว่าแล้วก็มองเวลาเวลาอาอยู่กับตัวคนเดียวไงคิดว่าเออเราจะอยู่ได้ ที่เราพูดเนี่ยเราเราตั้งใจทําได้จริงไหมเราพูดไปเองแบบคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็บอกตัวเองมันก็มีคําตอบกลับมาตลอดว่าทําได้ก็ยังไงเราก็เป็นคนที่อยู่ตัวคนเดียวได้อยู่แล้วเราไม่ได้ฝืนเราไม่ได้หลอกตัวเองว่าเราเราอยู่ได้แต่เราเป็นคนมีหนูเป็นคนมีความสุขกับการอยู่คนเดียวจริงๆนะคะหลวงพ่อ <S <S ทุกวันนี้ก็คือสิ่งเดียวที่ที่เป็นเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ที่หนูทําให้หนูยังไม่สามารถ ทำอะไรของตัวเองได้ก็คือคุณพ่อคะ่ะก็คือยังเป็นเป็นห่วงเดียวของหนูก็คือก็อยู่ดูแลท่านไปก่อนดู<ม>ทำอยู่กันสองคนนะเจ้าคะ่ะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้หลอกตัวเองเรามีความสุขจริงๆทุก<ม>วันนี้ก็ทำก็ดูแลดูแลคุณพ่อไปก่อน<ม>ถ้าวันใดวันใดถ้าไม่มีท่านหรือว่าท่านเออเขาเรียกเลยนะถ้าถ้าวันใดไม่มีท่านจริงๆก็ นูก็คิดว pues <cool ่าหนูก็คงเดินทางให้ตัวเองอ่ะค่ะเดินทางของตัวเองได้เนี่ย kind ค of ่ะเดีค่ะก็วางแผนไว้ก่อนค่ะใกล้ระยะสั้นระยะยาวใชาไหมทำนี้ไปก่อนนะคะยาวก็ตอนนี้ก็เหมือนแค่วางแผนวางวางแผนไปก่อนเจ้าค่ะแต่ก็อย่างน้อยก็คือมีไอเดียให้ตัวเองอืมค่ะดีเจ้าค่ะขอบขอบคุณนะสเตสเตสมมตินะ หลุดสติมากๆค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะอ่าสาธุอ่คุณแดนคุอนเปยังไงอยู่คนเดียวได้หมรับการักษอนนีก็อยู่คนเดียวอยู่แล้ก็อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะให้พ่อพ่อคุแม่ไม่ไม่มีครอบครัวไหมไม่มีไม่มีนะคะแต่ว่ามีแฟนเดียวค่ะยังมีแฟนค่ะ ค่ะค่ะพอดีเขาเป็นคนเลี้ยงดูอะค่ะหนูก็มีอาชีพเป็นแจวค่ะทำงานเป็นแจวพ่อยอยู่พอกินเจ้ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะมีความสติเจ้าค่ะคุณหมอพัฒนาเป็นแจวบักคุณหมอคุณหมอเป็นแจวบ่ายเนืทั้งสามีทั้งพ่อ็เปนจ ทั้งลูกใช้หมดเลยทั้งฝั่งนี้ทั้งลูกทั้งไปวัดก็เป็นแจ๋วพรับอาจารย์ไปทุกงี่ก็เป็นแจ๋วเป็นแจ๋วได้แล้วสบายใจนะอาจารย์ล้างส้วมได้อะอยู่ได้ค่ะพระอาจารย์นื่องจากวันเนี้ยก็มาก็มาเอารูเข้ามาที่ที่ค่ายนะคะก็ได้อยู่ที่ค่ายก็อยู่ได้สบายเลยพระอาจารย์เหมือนอยู่วัดเลยอ่ะอยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปเดินจงกลมข้างนอกเพราะค่ายอยู่ในเขาไงคะ คือโลแล้วแล้วก็ที่ที่แล้วพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยพี่หนุ่มบอกว่าเออเริ่มแล้วว่าพอพอไปวัดไปบ่อยใช่ไหมฝึกสติทั้งวันใช่ไหมคะแล้วก็พอตอนบ่ายมานั่งฟังพระอาจารย์นะะคพี่หนุ่มบอกว่ามันรู้สึกมีกําลังใจเพราะมันลงเลยคะ่ะพี่หนุ่มบอกว่าเพราะว่าฝึกสติเรื่องไหนเช้าเองนะะแล้วก็มาฟังพระอาจารย์นั่งนั่งสมาธิที่ตรงลิงนมน้ำอะคะ่ะแล้วก็มาฟังพระอาจารย์เทศน์ตอนบ่ายลงอืที่เดี่ยวเริ่มแบบมีกำลังใจ ม, ใมันต้องมันต้องฝึกสติมา ก, ก่อน ถ้ามฝึกตอนนี้นั่งเดมันจะมันกาลังไม่พออย่าชอบมาคจะบอกว่าต้องขอบคุณพระอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าแล้วแล้ววันนี้ก็ได้ไปวันนี้ก็ได้ไปที่วัดที่วัดเออสมบุพพปาสมบูรณธรรมนะคะก็ไม่เจอหลวงพ่อแต่ว่าเจอแม่ชีกับกุญยาค่ก็เป็นวัดป่าที่บอกว่าไม่มีน้ําไม่มีไม่มีไฟนช่ไหม ก็ได hmm. ้ได so uh, no. pues ้ถามท่านบอกว่ามาอยู่ได้แล้วก็คราวหลังท่ามาส่งลูกก็จะไปอยู่วัดนีะก็ได้ได้ลองเดี๋ยวลองไปดูว่าไปวันนี้ไปดูนะมึงไปใกล้นั่งปฏิบัติต้องหาที่อยู่ของตัวเองมีเยอะแยะแต่ต้องขยันข้นขวายค้นหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอวัดที่มองกําลราเองพยายามตั้งใจเพราะว่าลูกก็เริ่มปล่อยได้เยอะเลยค่ะ ก็ไม่ไม่ไม่ไม่กังวลแล้วว่าเราทําหน้าที่เต็มที่ทั้งคุณพ่อทั้งลูกอ่ะทําหน้าที่เราทำหน้าที่เต็มที่อ่ะก็พยายามทําึตัวเองด้วยทําไปด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะอาจารย์แรงเยอ <ไป S 2> วะว่ากจ้ะไปทั้งครอบครัวเลยเไปยกครัวเลย <c oughs> ย, กยกครัวใช่ไหมอาจารย์ไปหมดเลยแต่คือ<ม>บอกกเลยบอกว่าทุกคนต้องอดใจตะดูนาหงอืมใช่เรปฏิบัติเองเลยตัใครตัวมันโอเคมีอะไรไหม ไม่มีค่ะอาจารย์ร่างกายปฏิบัตินะคะอาจารย์ทำตลอดเดี okay, ๋ยววันจัทนทร์ทไปนะคะอาจารย้ายวันจันวัน <Okay. S 2> <laughs> จันทร์คุณจูบโกเบเป็นยังไงสบายดีนะสวัสดีอาจารย์เ จ, จ้าค่ะสบายดีเจ้าค่ะก็อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้าเอไม่ได้เข้ามาคือจริงๆหนูก็มารอตั้งนานแต่ก็ไม่ได้ก็ ก็ไม่ได้เข้าหนูจริงๆอาทิตย์ที่แล้วหนูมีปัญหาจะมาถามอาจารย์แบบคืออยากถามมากๆเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าเออทําให้หนูแบบสับสนนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ตกผลึกอะค่ะก็ก็ก็รับได้เจ้าค่ะพอาจารย์เออบาบางทีต้องหาคำตอบเองจะดีกว่าค่ะอื <c oughs> ก็หาคําตอบว่าเออเราก็มันเนี่ยแหละทุกคนมีกรรมเป็นของของตน อ, อ่าก็รับ <OM G> าาก็ธรรมะที่เราเรียนรู้เนี่ยไปคำตอบธรรมะอะไรไแต่เราลืมนึกไม่ออกไม่ไป น, นิจจังทุกขาราตามก็ไปเรื่องกฎแห่งกรรมไปแล้วค่ะแล้วค่ะแต่แล้วสิ่งที่หนูเห็นชัดนะคะคือที่หนูยังยังยังยังละไม่ได้ในตัวหนูก็คือที่อยากจะถามพระอาจารย์นะคะก็คือคือ พระอาจารย์มีอุบายยังไงะคะที่ที่ลดมานะกของตัวของตัวเองคะ่ะมานะที่ที่ว่าแบบ เ, เห็นเราเท่าเขาสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาสูงสูงกว่าเขาหรือเท่าเขานี่หนูไม่มีนะคะส่วนใหญ่หนูจะเป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็มักมองว่าตัวเองต่ำกว่าคนอื่นนะคะอย่างวันนี้ที่พระอาจารย์คุยกับทุกๆคนทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาะคะ่ะหนูฟังแล้วหนูแบบ โอยทำไมเขาดีจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองมาเห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบมันยังไม่ได้เรื่องมันมันแก่เนี่ยเราต้องมองว่าเรามองส่วนที่เราเหมือนกันที่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายใช่ไหมเราจะเป็นพระเจ้าเป็นดินหรือเป็นขอทานมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะไปสูงกว่าใครมันก็เท่ากันมีอาการท่าที่สองเหมือนกันแล้วล่ ่อการเจ็บตายเหมือนกันหรือเปล่าแค่นี้ก็จบนะเป็นธาตุสี่ในน้ำลมไฟเหมือนกันหรือเปล่าใจเป็นธาตุรู้เหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกันมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเราไปมองในส่วนต่างมันก็เลยทําให้เราหลงเรามองส่วนที่มันเหมือนซิอ่ะให้ให้มองเป็นส่วนที่เหมือนใช่ไหมคะเหมือนกันทุกคนคืออะไรเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหรือเปล่า จะสูงขึ้นไหนจะต่ำขึ้นไหนก็ไปที่เดียวกันใช่ไหมอืคะทางการจช่สองเหมือนกันทั้ง่าทังไหล่นั้งแต่ผมนังแต่ผมคนเละฟันงเนื้อเห็ยกันเดือเหมือนกันท่าเหมือนเหมือนกันทุกนต้องปับส่าวะต้องอุจจาระเหมือนกันท้่าันสิอือแล้วมันจะวิเศษกันที่ตรงไหนล่ะหายาวิเศษกับใครเนี่ยเร็วค่ะฮะ แล้วหลงเองเราหลงว่าเราเป็นเราเป็นนุ่นเป็นนี่เอมีนุ่มหน้าหน้าตาสวยงามกว่าคนนั่นสวยงามกว่าคนนี้ถ้าไปมองส่วนต่างมันก็หลงมาเลยอือใช่ค่ะมองส่วนเหมือนเลยส่วนใหญหนูจะจะมองตัวเองต่ํากว่าคนอื่นรู้สึกน้อยใจตัวเองน้อยใจในว่าสัตว์ตัวเองใช่ค่ะพระอาจารย์อแล้วแก่เจ็บตายมนันก็น ตางคนรู้สูงถึงเวลาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันไมใช่หรือรวยหรือจก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนนันจะไปไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับอะไรรู้รู้รู้รู้รู้ร่้รา้รู้ตู้รู้รู้รู้รย้รู้รู้รู้รู้รอ้รู้รู้รู้รูต้อง้รู้รู้รู้รน้รู้นู่รู้รู้รา้รู้รู้รู้รู้รู้รู้ร้รู้ร้รรู้รูารู้รู้รู้ร้้รู้รู้รูน เป็นเหมือนคุกกี้อ่เ่ทำเขาใช้แป้งใช้น้ำตาลผสมกันแล้วก็ทำออกมาอาจจะทำแล้วให้มันเป็นรูปร่างต่างกันเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นกลมบ้างเป็นกลวงบ้างบางอย่างก็มีรูข้างกองกลางอะไรอย่างเงี้ยขนมเห็นคุกกี้ไม่ใช่เขาทำขายเนี่ยค่ะวันนี้ก็ทำมาจากวัสดุอย่างเดียวกันใช่ไหมเจ้าค่ะอ่ะาเนาะวันเราก็เหมือนกันอ่ะทำมาจากดินน้ำลงไปเหมือนกันนะ เป็นแต่บุญกรรมมันเป็นตัวที่ปรุงแต่งให้เราแตกต่างกันไปใช่ไหมงั้นก็อย่าไปโทษใครโทษบุญกรรมของเราเนี่ยเราทํากรรมอะไรว่าเราก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปนจบ <Okay. S 1> พอแล้วพอเรารับกรรมได้เราก็ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกไม่รู้สึกอภูมิใจมันเป็นเรื่องขอ ง, ของกวาดแห่งกรรมไปเราทําดีเราก็ได้ดีเราทาชั่วเราก็ได้ชั่วก็คือต้องทำพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมเจ้าคะ่ะ <G ül> ก็คือถ้าเราเจออะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้ให้เร า, เราต่างกันครเพราะกฎแห่งกรรมที่เราทํามาไม่เหมือนกันไงบุญกับบาปที่เราทํามาไม่เท่ากันมันก็เลยทลําให้เรามีความแตกต่างกันรูปหน้าหน้าตาผิวพันณอาการสามสิบสองอวัยวะต่างๆที่มันแตกต่างกันราอ บ, บุญ บ, บาปที่เราทํามานี่คะว<ม>ามฉลาดข้างง้อกับบุญหรือ บ, บาปของเราค่ะปัญหาของหนูก็คือ คือเราไม่ยอมรับ ว, ว่ามันเป็นเรื่องผลของการของเราที่เราเป็นอย่างนี้ค่ะเอาจริงๆหนูจะเล่า ใ, ให้ฟังก็ได้เจ้าค่ะก็คือตั้งแต่ลูกหนูลูกหนูกลับมาเจ้าค่ะพระาอาจารย์ที่เมื่อก่อนหนูเคยบอกพระอาจารย์ว่าหนูมีหนูจะต้องนั่งปฏิบัติธรรมทุกสี่ทุ่มเมืองไทยสี่ทุ่มที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนูก็ต้องเข้ามาหาพระอาจารย์บ้างหรือไม่ก็เข้าเข้ากลุ่มปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วตอนเช้าตี ตีห้าเมืองไทยรอประมาณ7็ดมงเช้าญี่ปุ่นหนูก็จะต้องแบบเข้าร่ว ม, มาฟังนั่งสมาธิใช่ไหมครับเจ้าคะอพอลูกหนูกลับมานี่คือเหมือนโดนแกล้งยังไงก็ไม่รู้ช่วงเวลานั้นที่หนูจะต้องไมเราก็ต้องปรับเวลา<ำ>มันต้องปรับใ่ใช่ไหมคือต้องดูแลเขาอย่างนงี้เจ้าค่ะ อย่างตอ้องกลางคืนอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยวันพุธ ห, หนูขอสามีหนูเลยนะคะว่าวันนี้ขอขอขอพิเศษวันหนึ่งวันนี้ขอแบบขอขึ้นมาคุยกับพระอาจารย์ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นทุกๆวันเนี้ยช่วงเวลาที่หนูจะต้องปกติหนูจะต้องสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศเนี้ยหลังจากลูกกลับมานี่คือช่วงเวลาหนูหนูต้องกายภาพลูกอะค่ะกนวดไปก็ใช้ไปไัญญาสิวิจารณ์เวลามันเปลี่ยนไป การเปลี่ยนไปอันนั้นตาเราก็คุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องปรับตัวอะไรให้เขารับกับสภาพอันใหม่ยังไปยืนแบบเดิมก็ทุกข์มากก็ถือว่าการดูแลลูกก็เป็นการปฏิบัติทรรไปด้วยอ่ะทิี่หนุ่ทุกมากหนูจะมาถามพระอาจารย์แต่ก็เนี่ยค่ะที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะว่าเออเรามีกรรมไปของของตนก็ยอมรับมันไปออืก็ดูแลเขาไปก็ถือว่าเราเรา เอาให้มันหมดหมดในชาติเนี้ยไปทําดูแลเขาให้หมดในชาติเนี้ยแล้วก็แบบจากนั้นก็ไม่ต้องมีมีปุณมีคุณอะไรต่อกันอีกเลไรย่างนเจ้าค่ะเราต้องรู้จักปรับปรับสภาพให้ใหมันเข้ากับสภาพเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปเมื่ก่อนมันมีเวลาว่าจะเข้าเข้าปฏิบัติทําได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาก็ต้องปรับหนูเลยเห็นความสําคัญของคนที่เขามีเวลามากๆเลยว่า เขามีเวลาเขาน่าจะปฏิบัติทํากันนะเพราะถึงถึงวันหนึ่งที่ไม่มีเวลาแบบหนูเนี่ยมันจะมันจะทําไม่ได้เลยนะพุทธเจ้าบอกสิ่งนี้หายากอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่จะให้กับการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีเวลารีบขวนขวายใชใ้ให้มันเกิดประโยชน์ให้สูงสุดวันเดี๋ยววันวันใดวันหนึ่งมันอาจจะไม่มีเวลานั้นก็ได้เราอาจจะเป็นรายไปขึ้นมาก็ได้อาจจะเป็ น, นพิกลพิการเองขึ้นมาก็ได้ อย่าประมาทพระเจ้าสอนให้เตือนใจอยู่เรื่อยก็เลยรู้สึกน้อยใจตัวเองน้อยใจก็เป็นกิเลสเลยไม่ น, น, น้อยใจทำไม น, น้อยใจก็เยอะก็อย่ามาเกิดสถ้าน้อยใจอถ้าไม่เกิดมันก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาค่ะก็ต้องมาหยุดการเกิดให้ได้ถ้าเกิดแล้วมันต้องมาเจออย่างนี้ยเจอสภาพต่างๆสูงต่างําดีชั่ว มันอยู่ในโลกอนิจจังทุกขรังหน้าตาเราอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังหน้าตาค่ะนี่แหละปัญญาพอเจอของจริงตาตาตาแตกก็เลยจําไม่ได้เลยมันแบบมันเห็นทุกข์อะค่ะอ่าเห็นทุกข์แตไม่เห็นเหตุของทุกข์มันเกิดจากอะไรค่ะเก็จะความอยากของเราเลยใช่หไหยค่ะอยากให้มเหมือนเดิมอยากให้มันได้เวลาเดิมกลับมา อะแล้วอมองพิกจิกีต ร, กกรให้เป็นโอกาสเตอนนี้ได้มีโอกาสได้ได้ทํําทาบุญนะได้ได้แผ่เมตตานะะได้เจริญเมตตาบาลเ ม, าาเมาทานบารเมนะค่ะขอโทษนะเจ้พาพระหนูหนูกั้นไม่อยู่จริงๆไอ้เจ้าข่าวพัดฉันตัวเอง ไม่เป็นอย่างนี้ไม่รู้ไม่มีสติเล ย, เยกิเลสของเราไงกิเลสมันยังอยากจะได้เหมือนเดิมอยค่ะถึงเวลาแลา้วมันติดไงถึงเวลาปฏิบัติมันก็อยากจะปฏิบัติถึงเวลาสวดมนต์มันก็อยากพอไม่ได้ทําันก็โงงเหงิดขึ้นมาค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติของเราตอนนี้ต้องทําทำทานแทนแทะนทะี่จะภาวนาไม่ได้ตอนนี้ต้องทําหน้าที่ทําทานก็ทําไปเลี้ยงรูปไปยูนายเข้าไป ด้วยความเมตตาแล้วจะมีความสุข<ช>ทํา่อทด้วยความยินดีค่ะ น, นี่คือข้อสอบเข้ามาแล้ว น, นี่มันก็สอบว่าทานบารมีเรามีหรือเปล่าเมตตาบารมีเรามีหรือเปล่าสวดสวดบทแผ่เมตตาทั้งวันไม่ได้แผ่นะมนไม่แค่สวดเฉยๆมันต้องเจอเหตุการณ์จริงๆมากมันเกิดจากการกระทำํำเมตตาต้องเกิดจากการกระทําไม่ใช่เกิดจากการสวด แต่แตหนูก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรใส่เค้าใส่ลูกใส่สามีนะคะคือหนูก็แค่น้อยใจตัวเองเท่านั้นนะค ะ, ะว่าโอ้ยทําไมเราบุญน้อยเนาะอะไรเงี้ยพอถึงเวลาที่เราอยากทําปฏิบัติให้มันจริงจังมันก็เจออะไรอย่างเงี้ยจ้าค่ะอาจารย์นักปฏิบัติมันต้องมีความสุขกับทุกรูปแบบ ท, ทุกเหตุการณ์เข้า ใ, ใจกนอนิจจามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและข้อมันไม่เปลี่ยนฉากไปเรื่อยใช่ไหม มันจะไปเอาฉากเดิมมันก็ไม่ได้นะมันไม่มีอะไรตอนค่ะนใชมันจะมีฉากใหม่มีบทใหม่แล้วก็ต้องเล่นไปตามบทตามฉากนี่มันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่ทุกเราจะบอกอ๋อไม่เอาไม่เอาจะกลับไปฉากนู้นฉากนู้นกลับไปไม่ได้แล้วแ่ะมันผ่านไปแล้วอันนี้เล่นกับฉากนี้นะฉากนี้มาให้เราเล่นก็เล่นไปเลยเป็นแจวไงตอนนีให้เป็นแจวจริงๆอ่ะแจวแล้วค่ะ การรับใช้ผู้อนเป็นบุญอย่างหนึ่งนะพุทธเจ้าบอกอบุญสิบประการเนี้ยหนึ่งในบุญสิบประการก็คือการรับใช้ผู้ค่นเ่ยยังดูผู้อนดียังไม่มีพ่อแม่ติดเตียงบางคนเจะพ่อแม่ติดเตียงนะอ๋อพระาะฉะนันคหนูหนูมีพ่อคุณพ่อของหนูติดเตียงเจ้าค่ ะ, ะแต่หนูจ้างนนจ้างคนเขาดูให้เจ้าค่ะผจญจ้างคนที่ไทยเขาดูให้ก็ไม่ได้ดูพ่อเต็่ต้องมาดูลูก <laughs> อนนี้จ้งางใครไม่ได้เลจ้งางใครไม่ได้เพราะถ้าจ้งามจงมันแพงที่นี่นที่คนแพ ง, ง, งมากแล้วก็ต้องดูแลตอนนี้ก็มีคนเออ่ให้นักกายภาพมาดูให้ทุกอาทิตย์ละสามวันเจ้าค่ะแต่ว่าวันที่เขาไม่มานี่เราก็ต้องดูให้แล้วพระอาจารย์คะเด็กรุ่นใหม่นี่แบบมันไม่เข้าใจคือเราต้องพูดกับเขาดีด แล้วถ้าเราพูดเราพูดแบบเหมือนกับว่าเอาถ้าสมมติลูกไม่ไม่พยายามใช้มือข้างนี้นะก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะแบบเขาก็จะดิงอีกอ่ะเขาก็จะดิงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรจะพูดยังไงแล้วเด็กสอมัยเขาไปฟังเขาไม่ต้องพูดค่ะทำไงเขาไม่เขาเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เราก็ต้องก็ก็ต้องยอมรับก็เป็นมันเป็นกรรมของเขาไปค่ะอื แต่มันมันก็เป็นมันเป็นกิเลสของหนูอย่างหนึ่งก็คือเขอยากอยากให้เขาฟังเราอยากให้เขาฟังอยากอยากให้เขาฟังแล้วก็อยากให้เขาแบบทําแล้วแล้วเธอจะหายนะเพราะเธอยังเป็นเด็กอยู่แค่ตอนนี้เธอทํามืออย่างนี้อย่างนี้เธอยังทําได้เลยถ้าแบบถ้าสมมุติว่าอ่ากายภาพทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ไม่ฟังเแล้วจะทำยัไงอ่าค่ะแล้วมันก็ทําให้หนูคิดไปอีกว่า เอาถ้าสมมุติเราจะต้องมาดูลูกอย่างนี้ไปจนตายทยํายังไงเราจะหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมก็ยากอีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะพระอาจารย์กิเลสก็ไ ม, ม่ได้ดเนี่ยมันเราแล้วพอเวลาจริงๆก็ไม่ไปไม่ไปปฏิบัติดีๆค่ะอืมทําให้ดีที่สุดนะอยู่กับเหตุการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ทําให้มันดีที่สุดตามกําลังของเราด้วยความเมตตาด้วยด้วยสติด้วยปัญญาอย่าทําด้วยอารมณ์ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวฉากนี้มันก็ผ่านไปไม่มีมันไม่มีมันไม่มีเป็นฉากเดียวไปตลอดหรอกชีวิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ ย, อยูเือยนะดูไปให้แฮปปี้กับขณะนี้ก็แล้วกันพยายามให้มันมีความสุขกับปัจจุบันไม่มีความสุขก็อยู่กับสภาพที่เราต้องอยู่ด้วยค่ะหนูจะเอาจะน้อมนาคําสอนของพระอาจารย์ไปปฏบิบัตินะเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ อ่าที่คุณสุภัพตาคุณสุภตาก็ยังเปลี่ยนเลยเนี่ยเมื่อก่อนอยู่เมืองนอกเนี้ยั้องกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยทาใจได้ปะถูกไปเยอะถูไปยอะเดีไม่ดีเลยถูกไม่ยอะคือะตอนใต้ตอนใต้แล้อืมเขาก็ พวกในสิ่งที่เขาต้องการต้องเนี่ยทุม า, าจากการต่อเติาเจ้าค่ะออพัยเ<อ>นื่ยกสบายไม่อะไรอะไรก็ได้เน่บอกว่าดานเื่อเดยวที่จะถุกที่เกิดที่จะถุกขก็ต้องายนืย ท, ทุกคนะ <c oughs> ค น, นะับสภาพด้วยกันนะยอมอยู่เย็ น, นยอมหยเย็ย อ, อย่าไปต่อต้าน<ม>ยอย่าต่อสู้ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับผนไปยอมรับสภาพ่ะ แต่ส so ุขภาปีทแล้วที่นั่นก็ก็ว่ีิบห้าปีสุขภก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะมาอยากก็อยากยิ่งสาแล้วเราจะได้ครบยี่สิบหาปีแสดงว่าไราอยาาแต่เดือนแต่เดินอยากเป็นเดือนจนเเลยแล้วแต่ะไได้มัน มันเหมือนที่พระอาารบอกละครเจ้าค่ะมันก็มามันก็ไปใช่มันเป็นละครชีวิตเรานี้เป็นโรงละครโงใหญ่เรามีบุญกรรมเป็นผู้กํากับให้เราแสดงบทต่างๆวิชาต่างๆให้เราเผชิญเจ้าค่ะลูกคิดว่าลูกได้ทหน้าทสุดแล้วเจค่ะถ้าบทบาต้องได้ลงมาก็คือที่ว่าก็เป็นหน้าที่ที่ต่อคือดูแลพ่อคุณแม่ ก็ถือว่าเป็นบุญของเราอีกอย่าหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้ได้มีเวลาที่จะได้มาดูเขาเจ้าค่ะเพราะป่ายของเราตรงนั้นก็จบแล้วเราก็ไม่ต้องทำต่อมันก็สบายดีเนะจ้าค่ะอาจารย์ลูกมองแบบนั้นดีกว่าไม่ทำแล้วมาเสียใจในภายหลังน ะ, ะอันนี้มีหน้าที่อะไรต้องทำว่าใช่เ <ทำ S 2> จ้าค่ ะ, คะใช่เจ้าค่ะก็เราก็ไม่ต้องเป็น หน้าที่ภรรยาของเขาแล้วเราก็ได้มาดูแลพ่อแม่เราได้เต็มที่มันก็ถือว่าเราได้โชคดีที่หมดบวงตรงนั้นไปแล้วเจ้าค่ะก็พ่อแม่สาคัญกว่าพ่อแม่สําคัญกว่าเ่อพ่อแม่เลี้ยงเราเดูเรามาเขาไม่ได้เลี้ยงดูเรามาใช่ใช่เจ้าค่ะถือว่าถือว่าแมว่าเดือดมันมันมีแรงมีปั่นกันาไ่ ลรูกว่าเราต้องทาอะไรเจ้ค่ะรูยาแบบาเ้ค่ะทุกอย่างเหมือนาจะสอนเสอลูกถู้เนพวกเราจะูทุกคนเลยบอกว่าลูกเป็นลูกเป็นคอนะสิ่งสิ่งดีๆเจาค่ะเลยรู้สึกว่ามันจะทข้อสอบได้เจ้า่ะได้จริงๆยยอมหยุดเย็นไหมเจ้าค่ะโอเคใจเจ้าค่ะใจเจ้าค่ะ เล่นไปตามบบเขาก็คุณไปเนไปตามบทตามเล่นไปตามอใชเราเล่นแล้วบทนนี่เราก็เล่นไปเเจ้าค่ะจนถึงสุดทางด้วยค่ะที่อาจารย์บอกยังไงเรา่งต้องตายทุกคนก็เล่นละคองจนถึงบสุดท้ายทั้งชีพไปค่ะลูกมีสถามด้วยค่ะ คือตอนนี้อ่ตอนนี้คือที่บ้านในโควิดกันหมดเลยลูกถือว่าโอกาสดีที่เป็นโควิดเพราะลูกจะเป็นั่งสมาธเชอบมันเอาวันนึงเอาวิววันหนึ่งก่อ น, นงอนที่จะปวดเพราะว่าลูกเป็นโควิดนะเจ้าค่ะมันเป็นคืนที่อลูกหายใจหายใจหายใจไม่ออกเลยคือนเหมือนแน่นหน้ า, บบ า, บบาอกมากลูกคุอลสื่อว่ามันแบบช่วงหนึ่ง ท, ที่มันมัน บอกาจะหรือก็ว่าเราจะไปแล้วเราจะตายแล้วเราจะถามภาจารย์ลูกกคยจะถามภาจารย์ว่าลูกใช้วิธีนะไม่ทราบว่าถ้ามันมาจริงๆอะแต่แต่ด้านนีคือขั้นตอนนั้นเนะพราูรู้ว่าความที่ลูกกับมันเริ่มที่จะเกิดขบวกขึ้นมา แต่มันมันนีีจุดที่มัรู้สึกว่ามันมันความที่มันจบปุ๊บเลยอะเจ้าความเหมือนเป็นแทนอยู่จบปุ๊บเลยลูกก็รู้สึกว่าลูกตามความคิดพันลูกก็เลยเลือกสภาชาติแล้วก็บอกว่าเออเราต้องมีความคิดก่อนไม้ให้ความคิดมันต่อเพราะว่าความคิดมันจะสร้างให้เราเปิดความคิดนี้ยิ่งขึ้นลูกก็เลยเหมือนกับว่าปิดสภาทาที่ต้ดองไปดูปะระชุมที่ไหจ้ ค่แล้วลูกมองม่าชาตุปันนี้ยลูกจะตายก็ให้มันตายแบบแบบให้ดูแบบลมหายใจอะเจ้าค่ะแต่ ถ, ถ้ามันไม่ตายผู้มิเช้าค่อยไปหาหมอแล้วค่ะดีผูต้องพระเจ้าเราให้ดูลมหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายาหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายดูแค่นี้พอแล้วใจมันจะสงบมันยังไม่ตื่นเต้นตกใจอนนัน<ช>นี้เราทำไดเจ้าค่ะเจ้าค่ะสํา ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่านะละลูกก็ลูกก็เลยติดสมมติขอความคิดล้วดูค่ะลงหายใจแนะนำที่ปัญจะบอกพวกลูกทาได้เนี่ยเาเป็นช่วงขนาดหนึ่งาม้อะจลวงหมยใบอกลูกว่าอย่าให้มีความคิดพาความคิดมันจะตัวทำให้เกิดความตัวก็ให้ลงหลงหายใจตามไปแล้วก็ถ้าืให้ไปแบบนั้นนะอืมเอกอย่าท่านจะคิดก็คิดไปทางตายนะครับมันจะตายก็ตาย อันั้นตามเราห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าถ้าไม่คิดก็ให้อยู่กับลมไปดูลมไปพูดโทไปให้ใจนิ่สงสงบคือโนเบคาแล้วก็จะไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะรู้ก็เลยคิดว่าถ้ามันจะตายคืนนี้ก็คงไม่ให้ตายอยู่ลมหายใจแล้วถ้ามันไม่ตายกูเชาเขาว่าจะบอกเ จ, ออจ้าค่ะเนะ่ถ้าท่าน ถ, ถ, ถ, ถ้ามีโอกาสแบบนี้ผู้ก็ทมีได้ใช่ไหมครับอ่าพูดถ้ามีมีโอกาสอย่างเง้ยเนอะทําถ้ามีโอกาสหือถ้ามีช่วงช่วงที่จะตยแบบนี้โดยความรู้สึกแบบนี้ก็ให้ทำแบบนี้ต่อใช่ไหมครับแบบนี้ได้ให้ศักดิแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยๆไปมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปก็ไปองค์การท่านก็เคยเล่าว่าท่านเป็นโรคหัวใจจนถึงขั้นหนึ่งนี้มันรู้สึกว่า จิตมันจะปล่อยร่างกายนะนั้นก็ บ, บอกว่ามึงจะไปแล้วเลยไปเข้าไปพอท่านพนะูดท่านนี้คิดท่นนี้มันกลับเข้ามาใหม่ถ้าไม่ตื่นเต้นตกใจถ้าไม่ตื่นเต้นตกใจนี่มันไปเลยนัออี่อยไปตื่นเต้นตกใจใ<ๆ>ม้รู้เฉยๆไป<ๆ><ๆ>อยู่ก็อยู่จะไปก็ไปได้ทั้งนั้นคิดอย่างนี้ใช่เจ้าค่ะ ลูกคิดแล้ว่าถ้าถ้าปล่อยให้ทําเคลื่อนไอ่ามันบหมือดอกมันจะมันอาจจะจกได้เลยเช้าวค่ะลูกก็เลยติดตรงท่ความเนี่วก็อยู่บนนาเดินเรื่องเดินเรือน่ะจะเครียดตายตายเพราะความเครียดมากกว่าตายเพราะเราคอยแค่เจ็่ยใจ่เช มันเหมือนมันเคลื่นตนานนานเลยเจ้าค่ะลูกก็เลยปิดมันเลยปิดไปก่อนเลยมีความปิดไว้ก่อนหยุดมันก่อนเลยแล้วก็ตามลมหายใจแล้วก็ค่อยว่ากันถ้ามันยังอยู่ก็อยู่ถ้ามันจะตายก็ก็ตายไปก็เลยคิดไปแบบนี้ป็นทำมาสุบเจ้าค่ะเอหมันเป็นหน้าตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราควบคุมบังคับมันไม่ได้นะเสียงหายไปแล้วเจ้าค่ะ เจ้าค mm ่ะกราบขอบพระคุณจะจะน้อมนําคําสั่งสอนเจ้าค่ะและบาตรต่อเนื่องเจ้าค่ะคอับคุณหมอว่าไงจะบอกคนไข้ยังไงดีถ้าคนไข้ก็จะเก็จะตายนี่แต่เมื่อสักครู่เมื่อกี้พระอาจารย์ถามถามว่าอะไรนะครับเวลาคนไข้จะตายเนหมอจะบอกเขาอย่างไงดีอ๋ออันนี้ลึกซึ้งครับพระอาจารย์ก็ก็คงคงขึ้นอยู่กับว่า ว่าเขาเตรียมตัวพร้อมนับแค่ไหนครับ ก, ก็มีทั้งคนไข้ที่เขาเข้าใจศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามาครับกลุ่มนี้เขาก็จะเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอย่างนี้เราก็อาจจะไม่ได้พูดเป็นเยอะมากครับแล้วก็ส่งให้เขาสบายที่สุดครับแต่ถ้าในกลุ่มคนไข้ที่ยังยังทำใจยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็ก็จะมีทีมครับเป็นเหมือนทีมอ่ะการดูแลรักษาละครับประคองเขาจะค่อยๆช่วยมาคุยครับก็มีอาการเครียดไหมพวกนี้ มีครับมีครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาทําใจยอมรับกับตรงนี้ไม่ได้ก็จะมีความเครียดเป็นธรรมดานครับครับแต่ส่วนมากบางทีคุยกับญาติก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญเลยค่ะพระอาจารย์อนนี้ญาติก็รับไม่ได้ค่ะบางทีคนไทยก็อาจจะไม่รู้มีสติไหมแต่ก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เราจะคุยได้แล้วอะค่ะพระอาจารย์แต่แต่คนข้างๆเนี่ยคือญาติเนี่ย น, นเีพยายามนะอาเจะหาว่าหมอมาทําให้เต็มที่อะไรอย่างนี้นหเปล่าด้วยเราเหือว่าเขาอาจจะยังไม่ไ ม, ไม่ไม่พออะไรยอย่างนี้ยค่ะก็เป็นอันหนึ่งที่ก็มาสะท้อนตัวเองเหมือนกันเรื่องว่าแบบับอืมตอเตรียมตัวในในบริบทสังคมไทยก็จะมีความเห็นของทางญาติญาติเยอะครับจะไม่เหมือนทางตะวันตกที่อาจจะคนไทยตัดสินใจแบบบีมผู้เดียวอะไรอย่างนี้ครับ สองก็ลำบากเหมือนกันนะไม่รู้จะฟังใครดีนะใช่ก็เวลาเวลาแต่เวลาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้ก็คิดว่าได้ได้เรียนรู้กับศัตรูธรรมครับเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็คนไข้หลายๆคนอายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็เราก็เห็นแล้วก็ต้องมาย้อนระลึกถึงตัวครับว่าความตายก็บางทีอาจจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะครับก็พยายามฝึกคิดอย่างนี้ครับอันนี้ เป็นหมอว่านี่ใกล้ความจริงที่สุดแล้วคนะ่ะนั้งเกิดแ<ะ>ก่เจตายนี่เจอหมดเลยอาจารย์คือคนที่พ่วงสุดท้ายอ่ะค่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนเท่าๆที่เห็นก็จะแบบเขาจะหายใจเร็วก็จะแบบซึ่งไม่รู้สภาวะจิตตอนนั้นเป็นยังไงอย่างหนูแบบเวลาหนูออกกําลังกายแล้วหนูแบบเวลาหนูวิ่งแล้วมันก็จะแบบเกิดเหมือนกับต้องการออกซิเจนหนูก็หายใจเร็วเหมือนกนันอย่างนี้หนูก็พยายามแบบมีสติแล้วก็รู้สึกแบบเหมือน เหมือนจินตนาการะคะ่ะว่าตอนที่แบบถ้าเกิดเราขาดออกซิเจนตอนระยะสุดท้ายบางทีเราก็อาจจะแบบเนี่ยหายใจแบบนี้ซึ่งก็พยายามทำใจให้ไม่ทุกข์กับสภาวะแบบนี้ค่ะเผื่อถ้าตอนเวละสุดท้ายของตัวเองแบบว่านอนแล้วมันต้องหายใจเร็วก็จะได้โอเคอยู่กับลมหายใจได้เลยนะคะจอย่าไปเดินได้ตกใจประเด็นสาคัญนะคือไอ้นิ่ง<ช>เฉยเป็นโเมกา แล้วใจยังไม่ท้ไม่ทุบไม่ทรมามนแล้วร่างก า, า, า ย, เข า, เ, เ, ขาายเขาไม่รู้เขาเจ็บเขาตายเขาเป็นเขาตายเขาไม่รู้เรื่องร่างกายไม่มีความรับรู้ที่เราต้องมารักษาก็คือใจช่วงนั้นเมื่อร่างกายรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องมารักษาใจให้ยอมรับความจริงให้ปล่อยวางให้ได้ก็ไปยอมฝึกอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าถ้าเป็นไข้บางท่านที่เขา ตเตรียมใจตเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วทาอย่างที่พระอาจารย์ว่าเราจะเห็นเป็นการเป็นการเป็นการเสียชีวิตที่สงบมากครับแล้วก็ดูแล้วก็บางทีผมก็ยังต้องทึ่งเหมือนกันว่าโอ้บางทีเขาเตรียมตัวตเตรียมใจมาเป็นอย่างนี้นะครับคำสอนของพร<น>ะอาจารย์ทาให้ใจสงบปล่อยวางแล้วใจเป็นสุขถึงแม้นั่งกายจะตายแต่ใจเป็น ส, สขุขอุปัสโมุสโคนั่นแป้ว่าอนิจจาวัตสังขาร อุปดาวิยะทำให้โนอุปะชิตตวังเนโรชันติเตสรูปบาสงมงสุโกรมสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารได้เป็นสมบูอย่างยิ่งนะครับแต่ปล่อยแล้วใจดิ่งเข้าสู่สมาธิไปใจจะสู่ความสงบเลยใจไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย เราจะใช้ช่วงเวลาที un> un> ่ยังมีสติสัมปชัญญะยังมีแรงช่วงนี้ในการแบบศึกษาปฏิบัติไปไม่ยากเจริญสตินั่งสมาธิให้มากๆให้มีอุเบกขาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสบายอ๋อจำทำสอนครับพระอาจารย์ครับเรานําไปปฏิบัติครับเอาค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะค่ะเจ้าคุณหลวงพี่เกจิคุณหอ อ๋อนี่เวลาผ่านไปแล้วนะชั่วมงเพิ่มขึ้นแล้วครัอาจารย์เจ้าค่ะอืานะะของหนูก็วันนี้ก็มีโอกาสได้งดทานอาหารเจ้าค่ะอาจารย์อืมอ่าช่วงนี้หนูทํามาตั้งแต่วันที่หนึ่งเจ้าค่ะภาจารย์ลองปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์เคเคยพูดไปแล้วจ้ะค่ะอืมก็คือทานวันเว้นวันเจ้าค่ะอาจารย์หนึ่งมื้อต่อวันแล้วก็วันเว้นวันอันนี้เข้าหนูทามาตั้งแต่วันที่หนึ่งก็คืองดทานแต่ว่าต้องปฏิบัติด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย์ ถึงจะอยู่ได้กะค่ะแล้วก็มันเห็นผลชัดเจนก็ค่ะอาจารย์เหมือนที่ที่หนูหนูพอจะเข้าใจมากขึ้นจ็ค่ะที่ว่าหนูทานน้อเดียวแล้วทําไมหนูถึงทุกข์มากเพราะว่าคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะทํางานใช่มจ๊ะคะพอทํางานพุ๊เนี่ยเหมือนกับว่าเรามันจะพออยู่ข้างนอกมันจะสัมผัสกับลูกส่งเก็บรสของอาหารแล้วมันมันเหมือนมีตัวดูดเราไอ้ที่ไอ้ตัวมันม้ก็ค่ะอาจารย์ มันมันมีตัวดันที่จะออกไปอะเจ้าค่ะไฟจางให้อยากแต่มันก็ทานไม่ได้เลยนะคะมันก็เลยทุกตรงนั้นเจ้าค่ะไฟจางทุกที่เกิดจากว่าความความอยากตรงนั้นนะคะแต่ว่าพอมาลองทานไิดเดียวแล้วก็วันเว้นวันวันที่หนึ่งทานแล้วก็วันที่สองเอาวันที่หนึ่งงดวันที่สองทานวันที่สามงดอะไรเจ้ค่ะวันนี้ก็งดแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้ได้ฝึกนั่งอยู่กับความเจ็บนึ้เจ้าค่ะไฟจาง มันก็เลยทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดภาวนาไปด้วยแล้วก็ผ่อนอาหารไปด้วยเนี่ยมันเพื่อมากๆเลยค่ะก็คือใช่ควมง่วงนอนไม่ดีความหิวมันจะกระตุ้นให้เราต้องภาวนาใช่ความอยากความอยากที่ทําให้เราทุกข์ก็ค่ะพอเรภาวนาหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หายไปดีนะแล้วมันมันเข้าห้เราได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นใชะค่ะ แต่ยาวแบบยาวเฉยๆอนแล้วแม่กลาป็นตัวแล้วไม่ไม่ได้ประโยชน์มากเท่าไหร่ก็ค่ะโดยเห็นว่ามีวันหยุดหลายวันก็ค่ะพี่จาย์ก็เลยถีอโอกาสลองลองทําดีก็ค่ะแล้ววันนี้มันทําให้หนูนั่งอยู่กับเวทนาได้เจ้าค่ะพี่จางโดยที่ว่าความหิวนี่มันมันหายไปเลยก็ค่ะพี่จางมันจะโฟกัสอย่ที่ว่าเวทนาที่เกิดจากการนั่งนานในก็ค่ะพี่จางคือไม่ได้ใจว่านั่งไปสี่ชั่วโมงก็ค่ะแล้วก็มี าถ้ค <iqu qui> ือมันมัมเจ็บมากจ้าค่ะพี่อาจารย์นี่วันนี้เจ้าค่ะที่บอกว่ามันมันจากวันนั้นที่หนูบอกว่าหนูเจ็บแล้วหนูหยุดเวทนาได้ใช่ไหมจ้าผ่านได้แล้วก็วันนี้หลังจากนั้นมามันก็ผ่านไม่ได้วันนี้ก็มามาเจออีกมันเจอและทีนี้วันนี้มันมันเจ็บหนักจ้าค่ะพี่อาจารย์นูตั้งแต่กี่โมงเวลาจะสาจ็คือเจ็บจริงว่าเวทนามันหายแล้วมันก็กลับมาใหม่แล้วมันก็หายจ้าค่ะพี่อาจารย์ เป็นอนิจจังไม่เที่ยงฝ่อยมันเป็นฝ่ายมันเกิดมันดับไปแล้วอย่าไปวุ่นวายกับใบกับมันนี่แล้วกันฝ่ายมันมาปล่อยมันไปเราควบคุมบางคราไปไม่ได้เราจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเวทนาอย่างชัดเจนสักขังอนิจจังเพรหนูก็ใช้วิธีว่าใช้ปัญญาบ้างแล้วก็บริกรรมบ้างอนิจจังอนัตตาอีิจังอนตตาจะขออาจจังเพราะมันจะไม่ไหวทุกทีว่าสุอท้านก็ต้อง คือเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องอยู่กับความเจ็บไม่ได้เลยนก็าขาดไปานอย่งางว่ามันก็แค่ตายเะยก็ค่าากะก็เลยวลันคะนี้ก็ขาดานอย่วงว่ามก็แค่ตายอะไรน้ก็มีดไจานอางก็ลยเตายอรีก็ขานอย่งวาก็แค่ตะไร้าจาอย่างว่ามันก็แค่ตายงะนี้กาอย่ง่ก็่ายอะนี้ก็าดไอย่างว่ามับายนี้นนก็ขาดไปจนอย่งว่ามันก็แค่อะนก็ขาดไปจานอย่างว่ามักแค่ตาอะไรนี้กอย่างนก็ค่ะอะ ยังทําำบ่อยๆทาให้มากๆจาค่ะตามตามกำลังเลจะาค่ะพายจาไกาลอกตเดี๋ยวเลี้งไจะผิดจะจาสการ์ดูไม่ค่อยสบายใจเรื่องไม่ซื้ข้าวีใหจสกการาจาของเราทำตามังมัชิมาปฏิบัตไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปค่ะแลเรื่องเรื่องขนมหวานเรื่องอะไรเนี้ยหนุก็ขอนรถไปเยอะเลยจาค่ะากางช้อปปิ้งอะไรก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรสักกาไปข้างนอกก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็อาจจะมี ให้ให้ทานบ้างถ้าเจ็บว่าอย่างเหมือนเมื่อวานเนี่ยเหมืนอนรู้สึกว่ามีาอากัดที่ว่าของเก่ามันไม่ออกใช่ไ้มคะอาจารยอทานงดทานทานงดทานเลยรตคะ่ะก็เลยน้นําอัดลมก็ไปแล้วเพื่อไปไล่ของเก่าอะไรต่คะอาจารย์มันจะไปได้มันหนักถึงเวลามันหนักเองยีเร <c oughs> ียนหนักให้เรายีเรียนหรัให้เราไปกินเพื่ออะไ ร, <c oughs> รอาจารย์อยู่ว่ากินเพื่ะไรอยู่กินดาะว่ามันแบบระเตอ อย่าไปอยู่กับระบบของมันปลนไ ป, ไ ป, ไปตามเรื่องได้หมดเพราะพยายามจะไม่ไม่ค่อยเพิ่ผลไม้หมืเมื่อก่อนจะปิดมะละกอเพราะว่ามะละกอจะไปช่วยเรื่องขับถายใช่ไจะค่ะอาจารย์อันนี้ก็พออาจารย์บอกว่าอย่าไปติดอะไรก็ถูก็ทิ้งมะละกอไปเลยสักการเคปล่อยให้ลองลองดูว่าจะไม่ต้องอาศัยพวกนี้อยู่ได้ไหมจ๊ะค่ะอาจารย์ก็กินได้ทุกอย่างตามมีตามเกิดอย่าไปเป็นสีไปถันอย่าไปเรียกว่าต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ก็แล้วกัน มีแล้วกินไปตามมีตามกันจ้าค่ะอาจารย์ละเรื่องอย่างอ่าอารารสัจจะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราเร า, เราทราบว่ากําลังของเราได้ได้ประมาณไหนในเรื่องที่เราตั้งอาถรรพ์สัจจะไว้เนี่ยพอเราทราบกําลังของเราแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนแล้วเราจะทําให้เราผิดสัจจะตัวนี้ไหมเจ้าค่ ะ, ะอาจารย์เื่ให้เข้าเขาว่ากําลังของเราอลไรนัเปลี่ยนแล้ลก็ผิดเลยไม่จะไม่แน่ใจก็อย่าไปตั้งนะคะ พระาแต่ว่าขึ้นเขานีิหนูหนูยังไม่เปลี่ยนใจนะคะเคะเพียงแต่ว่าจะขอขึ้นไปเดีนที่สะดวกนะคะแล้วแต่เราไม่เกี่ยวกับเราเจ้าค่ะอาจารย์จะเรียกว่าอาจารย์แล้วเดี๋ยวขึ้นจะาข่าวพจาแต่อาจจะดูเดียนที่สะดวกนะคะยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเจ้าค่ะความตั้งใจที่จะขึ้นไปหนูเต็มร้อยเหมือนเดิมเจ้าค่ะเพียงแต่ว่ารอจังหวะในที่สะดวกนะคะดีสาธุสาธุนะคะพระอาจารย์ขอบคุณเนะคะ คุณหมอสุท ธ, ธิชัยเป็นยังไงสบายดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเจ้าค่ะมีกําลังใจปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะอเอย่าอะไรก็แก้ได้ไม่ทุกข์กับอะไรนะไม่ทุกข์กับอะไรค่ะช่วงนี้นะคะยังไม่มีปัญหาอะไร เ, เจอปัญหาก็ผ่านพ้นไปได้ทุกครั้งเจ้าค่ะโอเคดีมากต่อไป ว่าคุณเจ้าค่ะอ่ามานิกาอจากลองแง่ะเจ้าคขากลังงกบนมาตการเจ้าขาป้าอาจารย์อืวันนี้มาร่วมฟังธรรมนะคะป้าอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าขาโอเคเดินไปที่อาจารย์ผรมพิไลต่ออันนี้เด็กหน่นะอาจารย์ในนี้เขาสลับคิวกลับนักมารการอาจารย์ค่ะวันนี้ก็เข้าสายด้วยค่ะเดี๋ยวคุณอนุกุล พยายามลุกมาแล้วค่ะมไม่ต้องลุกก็ได้นะมรอมารอพระอาจารย์อยู่ถ้าถึงเวลา น, นอนก็นอนไปเถอะวันศุกา์พระอาจารย์ครับนอ น, นฟังอยู่อาารอคร่ะอส บ, บายดีนะสุขภาพรียบร้อยดีครับไม่เจ็บไข้เร่ป่วยพร้อมที่จะไปเที่ยวต่อได้แล้วใช่ไ้ยวันนี้ก็ไปออกมาแล้วใครเจอฉันเนะ้ยคณเพื่อนเรียนหนังสืออ่ะก็ ก็เจอกันทุกเดือนเดือนละครั้งต้องมีกิจกรรมทำอยู่เรื่อยจะได้สมองจะได้ไม่เสื่อมนะอยู่ให้เฉ้อยู่บ้านจะใช้เดี๋ยวมันเสื่อมต้องทำกิจกรรทํายูเรื่อยก็กําลังกายฮะโอเคครับความทรงจำจำยังดียังดีอยู่นะจำยังก็จำอะไรก็แย่เลยตอนนี้หูก็ไมค่อยได้ยินต้องต้อง เยอบตัวเข้ามาหาจองผมก็ไม่ได้ยินแต่ก็โอเคครับอยู่ได้ครับจิตใจก็ต้องผ่องจิตใจต้องผ่องใสสงบนะสังขานก็ไปตามวัยค่ะอย่าไปเครียดอย่าไปเศร้ากับอะไรอย่ที่บ้านดีที่บ้านดีค่ะทุกคนก็อยู่ไปตามความเป็นจริงอะนะคะก็มีความสดชื่นกันดี แต่ ว, วันนี้ยิ่งได้ฟังเรื่องศัจธรรมแห่งชีวิตของแต่ละชีวิตนะคะก็ยิ่งได้เห็นในหลากหลายชีวิตค่ะไม่มีอะไรเหมือนกัน บ, บุญกรรมทามาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ผ่านของเราไปเก็เล่นบทของเราไปฉากของไปาไปได้ค่ะบางครั้งก็นึกถึงว่าเออคุณแม่อยู่เป็เราเราอยู่กับคุณแม่นะคะจนคุณแม่อยู่ตั้งร้อยสามอะไรอย่างเงี้ย เราก็ผ่านลงเราไปยงมีความสุขที่ได้เห็นชีวิตเป็นบุญของเราเป็นบุญของแม่ที่ท่านม่ติดเตียงนะนั่ก็ยู่งน่นัค่ะสงร้อยสามนี่เก่งนะค่ะก็ยอมยอนไปสักสี่ห้าสิบวันนะคะ 103. <c oughs> กร้อยสามก็ก็ได้ดูแล ก, กันก็ได้เห็นว่าเออชีวิตที่ผ่านไปแล้วถึงเวลาที่จะต้องสงบไปจริงๆเนะคะก็ก็สงบไปเลยไปง่ายนะไปง่าย ค่ะแม่อายุก็แม่ในบุญมากอายุยืนยาวนานตายอย่างสงบเราก็มีบุญค่ะที่ได้ดูแลท่านด้ดูแลเขาท่านบุญคุณโอเคสาทุกคุณมาลีอุทธกาลการหลวงพ่อค่ะ มีอะไรไหมอันนี้ก็ไม่ไม่มีคก็แต่วันนี้คนที่ทํางานเขาก็มาทําบุญเมื่ออาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค๋อพี่หนึ่งค่ะอืาค่ะก็ร่วมบุญกับพี่เขาไปถวายอาหารด้วยถวาย อ, อาหารหลวก็่อด้วยค่ะอัะเข้ามาคนเดียวถ้าไม่ได้มาหลายคนอืมไม่บางทีคราวนี้พี่เขาไปถึงแล้วเขา ลายมาบอกหนูพอดีหนูไปอยู่วัดนะคะหลวงพอ่อตอนอนลางคืนก็เลยไม่ไมค่ะโอเคหนูมีอะไรไหมไม่มีค่ะหลวงพอ่อก็ปฏิบัติอยู่ค่ะนี่รักษาใจไม่ให้ทุกข์กับอะไรนะไม่ให้วุ่นวายกับอะไรค่ะหลวงพอ่อก็ช่วงหยุดนี้หนูก็ไปไปไปอยู่วัดนะคะหลวงพอ่อแล้วก็ไปดูวัดที่ว่าเผื่อว่า เผื่อว่าจะไปอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอืมได้เจออะไรยังไงว่าที่จะไปอยู่ได้อะไรยังก็เห็นเห็นอยู่คะ่ะแต่ว่าเขากำช่วงกําลังสร้างวัดหมายถึงว่าก็มีคนเริ่มไปอยู่แล้วค่ะ อ, อ, อ๋ค่ะหนูก็ไปเล็งเล็งเอาไว้ก่อนค่ะถ้าที่ไหนมีมีการก่อสร้างมากก็ไม่ดีนะเหมืนกันอ่ไม่หมาที่ก่อสร้างอันนี้หมายถึงว่าตัาง้ง ตั้งเขาเรียก อ, อะไรคะเตรียมสถานที่ให้คนไปไปอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยคะ่ะบงคนก็ไปบวชมีคนไปบวชชีแล้วว่าค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็คือจะไปดูว่าหนูจะสามารถไปอยู่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อว่าเป็นเป็นยังไงสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นแล้วค่ะแต่ว่าหนูห น, หนูต้องมาเคลีย เคลียร์พาระที่ผูกคอผูกตัวอยู่อ่ะค่ะหลวงพ่อยังยังไปไม่ได้แต่แต่มีความคิดที่จะไปอ่ะค่ะหลวงพ่อกรรมมันเคลียร์ไม่ได้นะบเรื่องกรรมนี้เคลียร์ไม่ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็คือก็ยอมยอมที่ให้หนูไปอ่ะค่ะหลวงพ่อหมายถึงว่าให้หนูไปลองดูลองอยู่อะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อ ก็เห็นอยู่ค่ะหลวงพอ่อมองมองเล็งไว้พยายามจะดูว่าที่ไหนที่เราสามารถจะไปอยู่ได้ค่ะหลวงพอ่อก็ไปที่บ้าน ก, ทานก็ที่บ้านก็มีห้องปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ใช่เลยมีมีค่ะหลวงพอ่อแต่หมายถึงว่าถ้าถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่อยู่ทางทางทางนี้แล้วค่ะหลวงพ่อว่าถึงจะไปอยู่ตรงที่ไหนได้ถ้าไม่ทํางานแล้วอย่างงี้นะ ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าไม่ทํางานเงี้ยค่ะหนูจะไปอยู่ท<ม>ี่ไหนเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติก็คือแต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนที่แบบว่าไปทางโน้นเลยอ่ะค<ม>่ะหลวงพอมันจะตัดไปเลยอะค่ะหลวงพ่อ<ม>ก็ไปดูสถานที่ดูอะไรอย่างเงี้ย่ะหลวงพ่อโอเคหวังว่าคงจะได้ที่ต้องที่ต้องการนะค่ะหลวงพ่อสาวขอบคุณค่ะโอเคฝากคนบางเวลา น, นี่กลจากเกาะสีชังเร็วกลับเราด้าค่ะยังไม่ได้มีโอกาสไปนอนต่อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้ไปเรื่อยๆ เ, เจ้าค่ ะ, ะหนสงบดีเลย่สงบดีเจ้าค่ะก็เอหนูมีหน้าที่แค่ไปดูเรื่องความกินอยู่ของพนัก ง, งานแล้วฝึกอบรมมาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงที่หนูได้ได้อยู่ในห้องคนเดียวเนยค่ะ mm hmm. แล้วก็นั่งปฏิบัติธรรมดีเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ เดี๋ยวลองดูก่อนว่าอาทิตย์นี้ไม่พรุ่งนี้หรือวันศุกร์อะค่ะจะได้ไปหรือไม่หรือไม่ก็เช่นนั้นก็จะเป็นอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะนะคะก็หนูแค่ขอมาส่งความปรารถนาดีแก่คุณจุ๊บโกเพนะเจ้าค่ะสำหรับที่คุณจุ๊บได้ได้แชร์ในส่วนของประสบการณ์ค่ะคือหนูก็คิดว่าการที่เราได้เจอทุกอาขาถือว่าเป็นการบ้านชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่ามันจะทาให้เราเน่เข้าใจ และปฏิบัติทำได้ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าเจอทุกข์ก็ถ้าอยู่ได้กับมันก็ถือว่าเราก็สอบขามอีกขั้นหนึ่งเจ้าค่ะหนู<ม>ก็อนุ ญ, ญาตังเกินนะทุกข์บ่มีปัญญาบัเกิดนะเจ้าค่ ะ, อ, กกคะอันนั้น อ, อันนี้หนูห น, หนูหนูก็เจอมากับตัวค่ะแต่ว่าทุกๆกครั้งเนี่ยเราต้องใกล้ครูบาอาจารย์นะคะเพื่อที่เราจะได้มีสติแล้วเราก็นําไปปฏิบัติเราก็ฝึกของเราต่อเจ้าค่ะก็ขอฝากกาลังใจให้ด้วยเจ้าค่ะ Yeah. Yeah. ปฏิบัติธรมเหมือนเดิมค่ะปฏิบัติบูชานะคะพระอาจารย์จีบได้ไหมจีบทำงานเดี๋ยวันนี้พระอาจารย์ได้ยินยมไหมคะได้ยิน้ะได้ยินนะค่ะกาบนมัสการคะ่ะก็ เป็นกําลังใจให้คุณจุ๊บเหมือนกันนะคะพี่ก็มีลูกลูกก็โตสิบแปดกับสิบสี่ก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะทั้งส่วนตัวทั้งของลูกด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมีปัญญาเออไม่ใช่ทุกคนมีปัญหาแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญญาแล้วมีสติแล้วก็สิ่งดีๆมันอยู่ในสิ่งไม่ดีเสมอนะคะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็พระาอาจารย์คะโยมมีคําถามค่ะเวลาที่เราถือศีล จะทราบไหไงว่าศินสมมูรณสมยกตัวอย่างเช่นสิลข้อสี่นะคะคือการไม่พูดโกหกนี่คือมันเหมือนกับถ้าเราตั้งสัจจะอะไรไว้กับตัวเองหรือเราเกินออกไปแล้วเราทําไม่ได้ก็เหมือนกับการเป็นโกหกเหมือนกันใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นก็คืออะไรถ้าเราคิดอย่าเพิ่งพูดออกไปเพราะถ้าเราพูดออกไปเราทําไม่ได้มันก็คือการผิดศีลเหมือนเดิมถูกไหมคะ คือมันถ้าเราพูดกับตัวเราเองบางทีมันมต้องพูดมืนข้อหลักชี้มันก็ผิดได้คิดว่าวันนี้วันนี้จะเสียสินแต่แล้วเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเราโกหกตั ว, อตว เ, เองแล้วแบบว่าสมมติว่าอย่างเช่นเอ้วันนี้จะไม่ดื่มน้ําชาไข่มุกออแต่อเผอิญยุ่งมากจนลืมเรามาดื่ม อ, อันนี้ก็ผิดสินละโกหกตัวเองไงโกหกตัวเอง อ๋อค่ะค่ะค่ะก็ะจะไม่ผิดศีลแต่เขาเรียกอาจจะผิดเสีสย ส, ส, สัจจะว่ายเสียสัจจะมันก็คืออยู่ในข้อนั้นแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะสีงข้อห้าโอเคก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าห้ามของวินเมา เคยได้ยินมามีคนบอกว่าแม้แต่การดูละครการฟังเรืงของฟังไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะสุราเมายาเมาอันนี้เท่าไม่เกี่ยวกับมึนเมาทําให้เรามั่วเมามัวเมาลุ่มหลงไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่พวกสุราพวกฝินพวกกัญชาเนี่ยถือว่าเป็นแต่พวกดูหนังฟังเพลงนี่มันอยู่ในสิ้นสิ้นแปดไม่เกี่ยวกับสิ้นห้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคันชิ้นห้าดูหนังฟังเพลงได้อยู่ ไม่ถือว่ามไม่ม่งมาพระอาจารย์บอกแล้วนะคะไม่ม่เมานะคะถือสินห้าถ้าไม่ไม่ดูได้ก็จะดีกว่าดูทำฟังเทื่อฟังทำจะดีกว่าแต่แต่สินห้ายังไม่ได้ห้ามคือเห็นใจคนที่ยังไม่มีกําลังไงยังไม่มีกําลังที่จะห้ามใจตัวเองได้ก็ดูได้แต่ไม่ใช่อย่าไปคิดว่าสินห้าอนุญาตแล้วดูให้มันเต็มที่เลยไม่ใช่อย่างนั้นถ่าดูเท่าที่เราจะ พอพอแก้ขัดไปก็แล้วกันพอพอระบายความทุกข์บ้างใช่ค่ะก็ใช่ค่ะโยมก็ยึดคติแบบนี้แหละค่ะพระเจ้าก็เป็นการปอบประโลมตัวเองไปในตัวซ <c oughs> ึ่งบางทีมันมันมนไม่ไหวจริงค่ะพระเจ้าบางทีมันทุกแบบทุกทุกๆุกทุกแบบบางทีสมาธิมันก็เอาไม่อยู่บางบางอย่างอะคะ่ะบางอย่างแบบ มันมาเร็วมากสมาธิเอาไม่อยู่แล้วอะ่ะตันนี่ต้องเดิมชาไขานุกแทนพระอาจาไม่ใช่เราไม่เร็วฟาดโยมมาเถอะพยายามอยู่คะ่ะพยายามอยู่คะ่ะก็ก็ตั้งไม่ก็บอกแล้วก็คือก็เลยถามพระอาจารย์นะคะว่าถ้าตั้งเป้าแบบตัวเองพูดออกมาแล้วแล้วถ้าเราเกิดลืมนึ่แบบประเภทสติไม่มีสมุนนะคะลืมยุ่งเอาเผลอดื่ม เราก็มสมาทานศีลใหม่ได้ไหมคะได้แต่มันเสียไปแล้วลน่ะบางทีแต่แต่สมาทานใหม่ก็ดีดแสดงว่าอย่างนั้นเราไม่ไม่ทําซ้ําอีกอ๋อค่ะค่ะคือถ้าเรานึกขึ้นได้อุ้ยเราหลุดไปแล้วเราก็สมาทานใหม่รอบหนึงอาจจะทําท บ, บ่อยๆนะสมาทานต้องได้ก็หลุดเด็ดอันนี้แล่าตัวเองเปล่าเปล่าอย่้ไม่ใช่แคเป็นว่าก่อนนอนไปสมาทานทีเดียวอีกแล้ อก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าสุลินทอนเข้ามาหรือเปล่าแต่เข้าเข้าอยู่เขานี่ยู่แล้วเนี่ยโอเคโอเคคุยกันทั้งทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยเป็นสองแม่ลูกกําลังจะไปมหาลัยทั้งคู่ก็เป็นการยนต์นะเป็นเพื่อนเพื่อนในธรรมญาติธรรมใช่ค่ะกลับมวัชการค่ะพระอาจารย์ค่ะ่อาไปที่คุณสันนี่ตา ต้อง น, น่อนะวันนี้กนลสองนาทีเพราะมีรอคิว ต, ต้องหลายคนอยู่จันนี้กลับในมาตร ก, การพระอาจารย์ค่ะวันนี้มาร่วมฟังธรรมหนูไม่มีคําถามค่ะองั้นไปที่คูนิ่งต่อคูนิ่งหายไปหลายวันเนี่ยนี่ไหมคะพระอาจารย์ชัดเจนฟังอยู่ข้างนอกเข้าไม่ได้เลยครับพระอาจารย์เอามาชานะ้าเนี่ย ถาชานิดนึงก็เข้าไม่ได้แล้วค่ะอนี้เขาต้องกำจัดคนเข้าเพราะเวลามันกมันจำกัดถ้าปล่อยเข้ามาเต็มที่ก่อนจะแรกอาจจะดึกเกินไปก็เลยถ้าอยอาจารย์ว่าจะจะเกินเวลาหรือเปล่าก็ก็ฝึกก็มีค่ะอาจารย์บางครั้งก็เหมือนวันนี้ถูกบ้านไปด้วยคิดมันคือเจริญสติผู้โธ แต่พอเวลาเราคิดอย่างอื <demais noise> <yah> yani, <mushrooms> ่นเพื <cido again> ิดเพะเลินไปหัวหัวไปโขกับเศร้าบุ๊คเออใจลอยใจลอยใจลอยโอ้สตินาะก็เลยว่าอย่างนี้แหละค่ะพระอาจารย์ก็ก็ทําต่อไปแล้วก็มามาลูบมาลูบหัวครันะเออดีเหมือนกันที่ได้โดนก็เลยว่าอย่างเงี้ยใจลอยสติสติดุดสติขาดเดินลงโทษซะหน่อยต้องลงโทษเะหน่อย ค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบขำขำตัวเองครับอาจารย์ก็ปูดอยู่ตอนนี้หนูก็เลยแบบเออต้องต้องขนาดขนาดนี้เราเราเราหลุดเรื่อยบางทีพุโทโธพุทโธอาหลานไปนูน่นนี่นั่นก็ไปละอันนี้นี่นี่ไปนี่ก็ไปละอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่ก็ดีค่ะเพราะว่าการจเจริญสติทําให้เราเวลาที่มานั่งสมาธิหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายหลังจากนั้นหนูก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกเพะ ออกมาก็เจริญปัญญาจะเป็นอะไรยังไงก็ตามก็คือมาไปเจริญปัญญาแต่ก็คือมาเห็นกายมาเห็นกายนี่นะคะพระอาจารย์ว่า mm hmm. โอ้โหขนานั้นแค่นี้ทั้งชาทั้งปวดทั้งอะไรคือคื อ, คอมันเห็นมันเห็นเลยนะคะพระอาจารย์อันนี้จังบางทีอ่ำน้ำเอา้าลูกกระดูกรูปอะไรไปเลยเนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมาอยู่ๆเราก็คือแบบมันไอ้นี่ขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้เราค่ะดีดี ค่ะมันก็เลยทําให้เราคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เด็กกบ12นั่งกายค่ะแต่ก็คือเราก็อยู่กับมันไปาาอ่ะค่ะพระอาจารย์บางทีเราก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เราพูดรู้ผู้คิดไม่ได้เป็นนั่งกายค่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มีเราไม่ได้เป็นร่างกายของเราเลยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยอ่ะครับพระอาจารย์อื hmm. บางกีฝนตกหนูมองไปเอา้าเดี๋ยวฝนตกฟ้าร้องเอาไปเป็นแบบนี้ hmm. ไปอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนก็จากไปค่ะพระอาจารย์ร่างกายนี้ก็ละลายไปเหมือนเหมือนน้าแข็งเราที่เป็นก้อนอยู่เนี่ยพอโดนความน้อนไปโดนเวลา่ะ ความร้อนของเวลาผ่านไปเดยมันก็ละลายไปหมดท้ายไปหมดค่ะพระอาจารย์ทุกคนก็คือสลายไปอะไรไปอ่ะพระอาจารย์แต่คือคุยกับใครไม่ได้นะคะพระอาจารย์อยู่ในบ้านเขาเขาไม่ค่อยเอ้นี่ต้องมาคุยในห้องนี้เท่านั้นที่คุยได้ใช่ค่ะพระอาจารย์มีพวกมีพวกว่าบ้าเท่านั้นที่คุยได้เพราคนที่ไม่บ้าคุยไม่ได้หรอกคุยไม่ใช่เดี๋ยวเขาถามว่าหนูบ้าเดี๋ยวเขาจะเป็นบ้า อ่ะเขาจะหาว่าหนูนี่เป็นบ้าอะไร อ, อย่างเงี้ยแม่ผขณะพูดก็แม่พูดอะไรไปคิดอะไรอ๋อหนูก็อ๋ออโอเคอ่าหยุดอะไรประมาณนี้แหละพระอาจารย์กับคนใกล้ตัวก็พูดไม่ได้ค่ะก็เลยเฉยๆพระอาจารย์แล้วก็ทํามีหน้าที่ก็ทําทหน้าที่ไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกก็อทําทไปเหมือนทําบุญในธรรมเอาคุณก็พกก็ก็ทําไปตามหน้าที่นะคะพระอาจารย์ อไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่คือให้เราอยู่กับตัวเองเพราะมันพูดอะไรไม่ได้จริงๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็เลยกลายเป็นคนเงียบๆแล้วก็อยู่ในห้องพอไอ้นี่มาคือเรานั่งแรกก็นั่งไปทําไปค่อยๆทาไปอะคะ่ะพระอาจารย์มันก็ทําให้เราเย็นค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะหนูก็เออ ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็คือไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์เพรมีเวลาหนุไปอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะกับคุณพึ่งค่ะคุณปนธรรมออริกอนเซเลมเป็นยังไงแบบนักสักการาค่ะสบายดีเจ้าค่ะหลวงพ่อยังปฏิบัติอยู่อนตางสม่ำเมอเจ้าค่ะ อไม่มีคำถามเจ้าค่ะ่นี่เวลาก็จะหมดเราลองขอไปเร็วเลยนะไม่เป็นไรเจ้าค่ะคำว่าฟังทำได้แก้ไขข้อที่ยังติดข้องจากอรไรยานมิตรทุกท่านเป็นประโยชน์มากเจ้าค่ะหลวงพ่อเตรมตัวว่าชีวิตเราไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้จะสดใสเบิกบานพวกนี้อาจจะเป็นเหมือนมืดคลืนก็ได้นะจะมีพายุเข้ามา เจ้าค่ะทุกวินาทีเจ้าค่ะปฏิบัติแล้วก็ตัวสภาพแม่แต่ทํางานถ้าเบรกปุ๊บเน่ก็อ่าเข้าสมาธิเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอเจ้าค่ะอ่าแับนี้จะแก่หลวงพ่อเจ้าค่ะอคุณปุวยตานักสมบร์หนึ่งนาทีคุณป่้ยไม่ให้เกินหนึ่งนาทีวันนี้ าาาตามมาตการเจ้าค่ะอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วเข้าไม่ได้คนเต็ม <c oughs> <c oughs> อโยมก็ไม่มีอะไรเพรปฏิบัติเอเหมือนเดิมตลอดแต่ช่วงนี้ไม่สบายตั้งแต่วันจันทร์มาแล้วไม่สบายเป็นอะไรก็ไม่ทราบเอโยมพยายามจะตื่นแล้วมันตื่นไม่ไหวแล้วมันก็เหมือนกับเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรนีร่แหละค่ะไม่ต้องยอมร<ต>ับ<อ>สภาพอยอมรับสภาพไปค่ะ โยมแต่โยมก็สวดมนต์ถือศีลแปดปฏิบัติตลอดค่ะไ ม, ไม่ขาดแม้แต่ว่าถึงถึงเราจะนั่งแบบนั่งไม่ได้ถึงถึงสี่ห้าชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนแต้เราก็นั่งเราก็ต้องนั่งนั่งให้ได้เพราะบางทีมันแบบมันเหมือนหัวมากๆเหมือนเป็นกับว่าเหมือนกับโรคภูมิแพ้ซึ่งโยมก็เป็นทุกปีทุกปีอะค่ะ โ okay. อเคทาต่อไปนะช่วตตอไปเขาให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงเจ้าค่ะค่้คุณปุ้ยคุณปุ้ยมีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายไขย้แล้วก็ถูกควยบ่อยๆนะตจดูค่ะ<อ>น้องน้อรับพลังค่ตะตาดูคปณลูกตาอยางไงตอนนี้ถอดถอดเทศสบายแล้วเนะถอะนะถอดเทศสบาย นามาสการค่ะอ า, าจารย์ถ้าสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะอืมหมายต้องมาต้องมาตรวจทานใหม่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวเว้นวรรคจะจะไม่ไม่มีไม่มีก็ไม่มีเว้นวรรคเลยไม่ค่ะเว้ผิดค่ะแล้วเขาจะติดไปกันหมดนะคะบางอันก็เว้นวรรคผิดอันนี้อันนี้ต้องดูละเอียดค่ะอืมแต่ว่าก็ประหยัดเวลาพิมพ์ไปได้เยอะค่ะอาจารย์ ก็เลยทำาห้มีกําลังใจที่จะทำํำไปเรื่อยๆะค <c oughs> ่ะตอนนี้ก็เลยก๊อปแบบว่าก๊อปมาใส่เบิดเบอร์เอาไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยตามฟังแล้วก็ดูเรื่องคําผิดคําถูกแล้วก็เว้นวรรคค่ะพระอาจารย์โอเคดีแม่วันนี้ อ, อ, อยู่บนเขาเนี <c oughs> เ่ยแม่อยู่บนเขาลงมาวันศุกร์ค่ะอืมดีแม่เก่งนะเดี๋ยวนี้ปฏิบัติก็ดีใจที่คุณแม่แบบ ไปเราก็อยู่ได้แล้วก็อยากไปอีกค่ะอาจารย์ดีใจที่คุณแม่แบบผหาที่ปฏิบัติได้ค่ะแสดงว่ า, าคุณแม่ไปเจอความสงบแล้วนะถ้าไม่สงบอยู่ไม่ได้หรอใช่ค่ะอย่างลูกตานี่ไปอยู่ไม่ได้ใช่ไหมยังยังไม่ได้ค่ะอาจารย์นั่นแหละว่าจะลองสักสองคืนก่อนค่ะอื เ, เดี๋ยวคุณม่ลุงก็เดี๋ยวจะจองสลับกันเดี๋ยวหนูไปแบบลองแค่สองคืนก่อนกลัว อ, อยู่ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ มันรู้สองมันร้สองคนจะอยู่ได้ป่ะบางทีบางคนขึ้นไปสองทุ่มก็ขอกลับบ้านก็มีเพราะว่าดูขนาดไปกลางวันก็ยังเงียบมากค่ะอาจารย์แต่คุณแม่ก็บอกว่าอยู่แบบสบายมากเพราะว่าชอบความเงียบจิตจิท่านสงบแล้วไงถ้าจิตมีความสงบแล้วมันจะชอบสถานที่ที่สงบไม่ชอบที่วุ่นวายโอเคนะเอาท่านี้ก่อนมีอะไรอยู่ไหม มีแล้วค่ะพู้อาจารย์กลับขอบพระคุณค่ ะ, ะ, ะคุณสเลนทอนเชิญวันนี้อยู่เกือบท้ายแถวเลยนางวัชการพู้อาจารย์ค่ะหนูเข้ามาแล้วหนูไปปิดหน้าจอค่ะไม่ทราบว่าเป็นออเปล่าเลยเขเลย <c oughs> เลื่อนไปเลยเนื่องคิวไปเลยถ้าอย่าไปปิดหน้าจอถ้า <c oughs> ถ้าอย า, า, อยากจะรักษาคิวไว้อยู่ดจอแล้วต้อย่าไม่ปิด <c oughs> หนูก็เกรงว่าเดี๋ยวจะไม่สุภาพเดินไปเดินมาก็เลยปิดหน้าจอคะอ่ะพระอาจารย์แต่ไม่เป็นไรคะ่ะหนูก็รับฟังตั้งแต่ต้นค่ะพระอาจารย์ อ, อาพระอาจารย์คะหนูอยากจะทราบว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเอเวลาที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะมีสติมากกว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคะก็เกย์ขึ้นอยู่กับระดับสติที่เขาได้ปฏิบัติน่ะก็ยังไม่ก็ยังมีสติในระดับนั้นแม้ว่า เสียชีวิตอาจจะมีอาการเจ็บป่วยมากมายนั่นไม่เกี่ยวนั่นเรื่องของร่างกายสติตใจมีสติเท่าไหร่สมมติมีสติอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันก็เจ็ดสิบเอร์เซน์ก่อนตายเจ็สิเอร์เ็นเวลาตายก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มันไม่ได้ดน้อยถอยลงไปกับความตายอย่างนั้นมันก็มีทางเดินที่ไปเป็นสุกติภูมิมากกว่า <ขอ S 2> ใช่ไหมคะถูกั้ยิ่งมีสติมากเท่าไหร่จริตยิ่งสงบ ม, มันก็ยิ่งไปสู่สุกติได้มากขึ้นะ อืเขาถึงได้ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะละร่างกายหรือว่าละตัวตนในขณะนั้นจึงสามารถบรรลุได้เป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยไหมคะมันก็อยู่ที่เราฝึกซ้อมไว้ก่อนด้วยฝึกสติฝึกปัญญาสอนใจให้เข้าใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงต้องปล่อยวางมาถึงเวลามันจะตายต้องยอมตายถ้ายอมตายมันก็จะไม่ทุกข์มันก็จะเป็นสวัสดาบันขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็ไม่มีคําถามแล้วนะคะพระอาจารย์เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะเขาพูดคุยค่ะคุณปูเป้ถามนักราชการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะเนี่ได้ยินชัดเจนเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ของเราก็รุยเลยพระอาจารย์พระอาจารย์เขาละเมอสดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาพอดีหนูก็คือประสบการณ์ด้านกรุ๊เยอะนะคะจนแบบว่า คือนึกว่าจะไปหลายหลายรอบแล้วอะค่ะไม่ใช่ว่าหนูจะผ่าสมองอย่างเดียวหนูก็ลดเคยลดความอย่างนี้ด้วยผ่าผอาจารย์ก็เลยได้ประสบการณ์ความทุกข์เยอะอะค่ะค่ะจารย์ก็เลยได้ได้ก็ผ่านมาได้ใช่ค่ะเหมือนเป็นด่านแต่ละด่านเลยค่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นว่าอ๋อใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอะค่ะพระอาจารย์ได้เห็นว่าใจสําคัญกว่ากายอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่ได้ทุกข์ ร่างกายที่มีปัญหาเยอะๆค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าช่วงที่หนูพ่าตัดเยอะๆแล้วก็เจออุบัติเหตุรถคว่ำอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าโอ๊สงสัยเป็นเพราะกรรมเราทํากรรมมาเยอะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่พอเจอแล้วเอาสิ่งที่หนูฟังจากพระอาจารย์แล้วมาพิจารณาความทุกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. มันก็เลยได้แบบ โอ้เป็นของดีอย่างเงี้ยอะไรค่ะมอเป็นของดีไปเลยค่ะพระอาจารย์เป็นเครื่องเป็นเครืงรับปัญญารับสติปัญญาูใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนหนูรถควาหนูก็เคยแบบว่าโดนส่งแอมบูเล็ตขึ้นแอมบูเล็ตแล้วหนูก็ลองสวดอิติปิโสยาวไปอยู่กับใจมันก็ไม่ค่อยถุกข์หเจ็บร่างกายค่ะพระอาจารย์พอหนูมาผ่าสมองหนูก็ลองสวดอิติปิโสอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่สามารถ อ่าใช้ได้เหมือนตอนลดความพระอาจารย์แต่ว่าพอหนูมาฟังทาจากพระอาจารย์เนี่แหละค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นความทุกข์ขนาดไหนอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์จันไม่ค่อยเจ็บปวดร่างกายมากแต่ถามพระอาจารย์ตอนที่ซ่อมใบหน้าเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็เลยโอ้อหนูเลยเห็นหลายๆร ะ, ะดับเลยคะ่ะพระอาจารย์ที่นํามาใช้เนี่ยคะ่ะ mm hmm. ก็เลยได้มาพิจารณาตัวเองเนี่คะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยได้เห็ ได้เห็นของดีเยอะเลยค่ะอาจารย์ตอนแรกหนูแบบเศร้าใจโอ้ชันทํากรรมอะไรมาเยอะเหมือนแบบว่าตอนหนูพักสมองนี่หนูหมันบายๆเพื่อนๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมตัวจะไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ดันต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยได้ก็ดีใจมากเลยค่ะได้มารีบปฏิบัติแล้วก็ฟังทางจากพระอาจารย์ค่ะก็เลยจ้าเจ้า <Yeah, sure. S 2> mm. คิดว่าเป็นข้อสอบกันแล้วกันะความทุกข์ต่างๆนี่ถือว่าเป็นข้อสอบของเรา ใช่เลยค่ะพระอาจารย์ข้อสอบเลยค่ะพระอาจารย์มันที่สูดใจของหนูเองด้วยนะคะพระอาจารย์ในการพิจารณาตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ไปทุกข์กับร่างกายนะเจ้าค่ะเหมือนแบบทําข้อสอบเพื่อสอบให้ผ่านแล้วยังมาเจอทุกข์ก็เลยบอกโอ้เลิศมากเลยค่ะในการเกิดมาค่ะพระอาจารย์ก็ลุยเลยค่ะโอเคสาธุสาธุสาธุคุณจ้าคนสุดท้ายมักจะมาคนสุดท้ายเสมอคุณจ้า แับนวัตกรรมค่ะอ า, าจารย์เป็นยังไงตอนนี้อยูอไอย่ไหอยู่บริษัทร้นเหมือนเดิมเหรอยังอยู่ค่ะใช่ใช้ประมาณเกือบเกือบเส้นปีค่ะอหนูก็อาทิตย์ที่ผ่านมาวุาว่นมากเลยค่ะพระอาจารย์คือหนูภาษีเลยวนะุ่นเยู่แล้วภาษีอยู่เลยวุ่นกับเรื่องภาษีด้วยแล้วก็คืออย่างที่หนูอธิบาเล่าให้ฟังว่า คราวที่แล้วว่าลูกค้าของหนูเป็นพวกที่เกี่ยวกับพวก i m p o r อ e x p o r t อะคะ่ะเพราะฉะนั้นคือธุรกิจตัวใหม่ที่หนูพยายามจับมันก็โดนตรงตร ง, งเรื่องภาษีแต่ธุรกิจตัวเก่าอะ่ะมันก็คือลูกค้าเขาก็เหมือนไม่ทำอะไรกันตอนนี้ค่ะเพราะว่าต่างคนต่างก็หยุดเงียบรอเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ง effect, ง effect, ย, บบ ย, งงยะคะ่ะและ้วก็ก็คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าจริง หนูอ่ะไม่ได้มีภาระอะไรเลยมีมีแค่ตัวเองคือจริงตอนเนี้ยทําไมแบบจริงๆถ้าจะแบบแทนที่จะย้ายไปรัตอื่นนะแบบทําไมไม่คิดจะย้ายกลับไทยแล้วก็ไปที่ว่าอยากจะเข้าวัดก็ลงมือเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพระเจ้าหนูเหมือนมันยังเสียดายชีวิตอยู่ค่ะอาจารย์ใช่กิเลสมันยังชอบยังชอบตามมาชันท่อย่างยังชอบรูปเสียงกลิ่นรสอย่างใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นถอยหลังเข้าคลองมากเลยค่ะเพราะว่า เอ่า uh, แบบพอว่าวุ่นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ทําให้ไมนะ่ไม่อยากนั่งสมาธิพอไม่นั่งสมาธิก็วิ่งว่าวุ่นหนักไปใหญ่ mm hmm. ก็แบบ <c oughs> วุ่ น, ว, นวายมากเลยค่ะก็พยายามพยายามตั้งสติอยู่ในแต่ละวันตื่นเช้ามาพยายามคิดว่าแบบเออไม่ได้นะถ้าทําอย่างนี้มันแบบเราศึกษาธรรธมมาเราไม่ใช่คนไม่มีธรรมมอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. จะแบบปล่อยสติปล่อยกิเลสให้รันชีวิตอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามมันฝึกสติบ่อยบค่ะ แต่ก็เท่านี้แล้วค่ะพระอาจารย์ก็พยายามสู้ไประหว่างหาบ้านร้านระหว่างการมีชีวิตอยู่กับการอ่ปฏิบัติธรรมไปด้วยเพื่อไม่ให้มันก้าวไปในทางโลกมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าดีแต่ก็อย่าไปทุกข์ถ้ายังไปทำธรรมไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์อยอมรับอยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไปไม่ไหวค่ะเพราะไม่ยังฝึกสติไงคะาา่ะพระอาจารย์พระอาจารย์พุดทุกวันกับทุกคนว่าตื่นเช้ามาฝึกสติตั้งแต่ตื่น อา่าอะรตอนดยสติเนี่ยมันจิตมันจะดีมันจะมีพลังค่ะอืมตอบน้องตั้ง้องตั้งก่อนนอนคืนนี้ว่าอย่างคืนนี้นอนแล้วพอ ต, พตื่นปุ๊บเราต้องเอาสติก่อนดูซิว่าจะได้สักกี่นาทีอืมตตั้งใจไว้ต้องก่อนนอนใช่ไหมคะโ okay. อเคอืมหนูจะลองดูค่ะโอเคขอบคุณสาธุค่ะสาธุสาธุ ไปที่คุณล้ต่อคุณล้วมีคำถามไหมกราบนมรส ก, การคะ่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสามคำถามจากทางเฟ e บุ๊ k เจ้าค่ะอ่าเชิญกราบนมรส ก, การคะ่ะพระอาจารย์ขับรถหลงตลอดเป็นวิบากกรรมไหมคะเป็นกรรมไม่มีสติคำ <laughs> ถ, ถามต่อไปถ้าไปทานอาหารแล้วเพื่อนสั่งปลา ร้านนำปลาที่เป็นไปฆ่าทำอาหารมาให้ที่โต๊ะเราไม่ได้เป็นคนสั่งปลาแต่เรานั่งทานปลาด้วยเราจะบาปไหมคะไม่บาปเราคนสั่งเรบาปคำถามสุดท้ายการที่เห็นคนที่เราร้องไห้การที่เราเห็นรู้จักคนร้องไห้เสียใจเราจึงเข้าไปปลอบน้าตาเราก็ไหลแต่เราไม่ได้ทุกข์ เราแค่สงสารเขาน้ำตาไหลแบบนี้ถือว่าเราผิดหลักธรรมไหมคะน่าแสดงว่าใจเราไม่เข้มแข็งเรายัางอ่อนไปกับอารมณ์ที่มรนนำมาสัมผัสดํารู้คำถามหมดแล้ ว, วจะนะถ้าถ้ามีสติมีกำลังเยอะมีอเบ ค, ค้าก็จะไม่มีใจจะเขาไม่อ่อนไหวก็จะเฉยเฉยไโอเคนะมีท่านี้นะสำหรับคืนนี้